โมตัสสภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควโตอะรหโต สัมมาสัมพุทธสัตว์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์พุทธังสรนังกัจฉามิพุทธังสรนังกัจฉามิธัมมังสรนังกัจฉามิธัมมังสรนัง สังฆังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังกัจฉามิทุติยมปิธรรมัง ขจามิทุติยัมปิสังขังสระนังขจามิทุติยัมปิสังขังสระนังขจามิตติยัมปิพุทธังสระนังขจามิตติยัมปิพุทธังสระนังขจามิตติยัมปิธรรมังสระนังขจามิตติยัมปิ ท่ามังสารนังข้าชามิตัดยมปิสังคังสรนังข้าชามิตัดยมปิสังคังสารนังข้าชามิติสนุนนขมนังนิทิตังอามะคันเตขอกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพยิ่งสูงครับ กราบนำบัสการหมสมณะระพิสุทุกรูปด้วความเคารพครับจเจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ชุมชนรัฐธานียสศกและอยู่ที่บ้านทุกทุกคน <c oughs> วันนี้รายการวิธีอริยธรรมมาพบกับท่านเช่นเคยทุกวันอาทิตยนะ์ตั้งแต่เวลา9้านาิกาถึง1ินาฬิกาโดยประมาณนะครับ วันนี้ตรงกับ ว, วันาทิที่17สิงหาคม2557แรม7ค่ําเดือน9ปีมะเมียนะ <c oughs> ตอนนี้พวกครูก็ยังอยู่ที่ชุมชนราชธานีอโศกเพราะว่าปีนี้มาจําบรรษาที่พุทธสถานราชธานีอโศกคําว่าพุทธสถานราชธานีอโศกนี่แทบจะไม่ได้พูดเลยพูดคําว่าชุมชนราชธานีอโศกคือรวมทุกอย่าง ทังบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะเป็นองค์ประกอบเดียวกันนะเรียกว่าเป็นดึงเดียวกันซึ่งในปัจจุบันเนี้ยในสังคมปัจจุบันเนียจะถูกแยกนะแยกบ้านออกจากวัดแยกโรงเรียนออกจากวัดนะวัดก็เลยโดดเดี่ยวนะชุมชนก็ไม่ได้ประโยชน์จากวัดนะโรงเรียนก็ไม่ได้อะไรจากวัดนะทำให้ วัดก็มีปัญหานะโรงเรียนก็มีปัญหาบ้านก็มีปัญหาทุกอย่างก็มีปัญหาไปหมดสังคมก็เกิดความแตกแยกนะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้แต่ละคนแต่ละคนก็มีปัญหากันมากมายนะทางสังคมชาวโศกเนี่ยเป็นสังคมที่รวมสิ่งนี้นะพ่อครูเนี่ยนำมารวมทนี้ให้ได้ให้เกิดได้ซึ่งเปนเรื่องที่ยากนะยากามากที่คนจะทาได้เอา วัดชุมชนโรงเรียนมาเป็นหนึ่งเดียวโดยแยกไม่ออกเลยว่าเอ้ยอันนี้เปนวัดมันเป็นบ้านในโรงเรียน น, นั่เนี่ยมันทุกอย่างมันพูดอันไหนมันก็โดนหมดพูดอันนี้วัดน้ำกระชายพูดอันนี้เป็นบ้านอันนี้มันกระชายพูดนี้โร ง, เ, โรงเรียนหรือการศราึกษามันก็ใช่หมดทุกอย่างเป็นเป็นประกอบเอกีภวะอันหนึ่งเดียวกันหมดเลยนะซึ่งการศึกษาที่พวอครูตั้งใจสอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะ ซึ่งแต่ละใครได้มาได้ฟังเทศฟังธรรมมานั่งศึกษามีทั้งเก้าอี้ให้ตะก่อนเนี้ยนั่งจากพื้นนั่นแหละนะโอ้โหก็เมื่อยกันแล้วก็เมื่อยกันดีกันและนะแล้วแต่ละคนแต่ละคนจะทําไปตอนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยได้ก ว, ว่า one, นะแสวงนารมีระดับมีชั้นนะมีเก้าอี้ให้นั่งเรียบร้อยจะโน้ตจะอะไรฟังเทศอย่างดีเรียกว่าแต่มาว่าเ อ, อื้อต่อการศึกษาไปอย่างยิ่งเป็นห้องเรียนอย่างดีเลยนะ ยังไม่มีที่นอนนอนให้ฟังมา <laughs> นอนให้ฟังเทศฟังเทศฟังธรรมฟังศึกษายังไม่มีที่นอนถ้เาเผื่อว่ามันถึงเวลานะคนที่สนใจจริงๆมันนั่งไม่ได้จริงๆแนละ้วเขาเป็นอัมพาตกว่าดีหรือว่าเขามีสรีระที่เขาเองเขามันนั่งไม่ได้อะเขาต้องนอนแต่เขาก็ต้องการจะมาฟังมาสัมผัสกนะคงต้องจัดที่นอนให้จริงครับผว่าคิดว่า ถึงตอนนั้นนี่คงจะโอ้โหมาระใ์มากการฟังเทศของมันเป็นเรื่องที่คนจะต้องสนใจโอ้ทําไมเขาได้ป่วยขนาดนี้เขายังสนใจฟังธรรมเลยนะเขายังไม่ขนขวายฟังธรรมทําให้คนปกติคนดีๆธรรมดาขาเดินได้เนี่ยนะเฮ้ยแต่เราไม่มาเนี่ยมันหมายความว่าเวลาก็มีนะเอาเวลาไปหาบายมุกไปหาอะไรแต่ใดไปหาเอตุจริตกุศลอะไรไปนะโอ้น่าเสียดายเสียดายนะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องคิดนะเพราะว่าแตาล่ตละคนแต่ละคนที่มาสนใจฟังธรรมเนี่ยมันก็จะเกิดผลต่อการลดละกิเลสของตัวเองซึ่งตอนนี้พราครูก็อธิบายบปรามตรธรรมเนี่ยมากนะฟังแล้วก็ได้ความรู้ได้เข้าใจเข้าใจในการปฏิบัติธรรมนะซึ่งบางอย่างเนี่ยหลายอย่างเลยเนี่ยแต่ว่าเป็นสิ่งใหม่มากซึ่งเราก็ไม่เคยฟังมาก่อน แต่มาก็ไม่รู้ว่าพ่อครูหาสิ่งใหม่ให้เราฟังได้ตลอดเวลานะยังมีใหม่เอกใหม่อยู่เรื่อยมีมีใช่ไหมครับไม่มีเรื่อยๆเลยโองทำไมรู้สึกว่ายังมีอีกเยอะเลยเยอะจังเลยนะัสมบัติไปอยู่แถวไหนนะเก็บไว้แล้วยังนึกไม่ออกก็มีแต่รู้สึกมันมีมันมีความปฏิภาณนะมันรู้ว่าโอ้โหวะนี้ยังอีกยังอีกอันนี้มีแต่ยังยังระลึกไม่ได้ยังยังเข้าใจไม่ถึงยังดึงออกมาไม่ได้อะไรงี้เป็นต้นมี แสดงว่าพรอครูนี่มีสมบัติเยอะแล้วซ่อนไว้ตรงไหนเราก็มองไม่เห็นนอันนี้ก็ขอคุยนิดหนึ่งคือเรามองไม่เห็นไม่นิดแตคุยใหญ่เป็นหน่อยครับอย่างผมนี่ก็มองไม่เห็นมองไม่ทะลุเก็บไว้ตรงไหนนเนี่ยมันหาตรงไหนนั่นคือเราก็ต้องฟังว่าสมบัติของโพธิสัตว์หรือสัตตบรุษที่จะเราจะได้รับฟังเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้คบสัตตบรุษ แต่ก่อนก็ยังไม่เข้าใจทําไมต้องครบสัตศบุรุษเลยฟังทำใครก็ก็บรรยายตอนเด็กก็ได้ฟังอะ่ะใช่ไหมใครครูก็อธิบายให้เราฟังได้สี่ห้าก็อธิบายได้ก็ไม่เห็นจะจําเป็นต้องสัตว์ตบลงสัตตบูรุษเลยเลย <c oughs> มากองค์8ก็อธิบายไวปสิอะไรนะสัมมาทิฏฐิอะไรเรื่องความเห็นชอบออสัมมาสังกปะความคิดชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาชีวะอาชีพชอบ สัมมาสติสติชอบสัมมาอะไรล่ะวิสัมมาวิมมะความเพียรชอบแล้วก็สัมมาสมาธิจบสัมมาสติก่อนดีครับสัมมาสติ <laughs> ตกไปหนึ่งตกไปหนึ่งใช่ไหมครับ <laughs> น, นนะเราก็ฟังแล้วก็เออก็ได้อะไรเนี่ยแต่ว่าไม่รู้เรื่องนะนี่แหละมรรคองแปดนี่แหละบ้านวัดโรงเรียนครบอยู่ในมรรคองแปดนี่แหละครับสังกัปปะคิด ว่าจะพูดรำมันตะคุณจะมีอิริยาบถ ก, กรรมกริยาใดๆทุกอย่างพร้อมกับทำอาชีพเลี้ยงชีพทำการงานประจำชีวิตทุกอันเลยเนี่ยรวมกันอยู่ในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นบ้านวัดโรงเรียนเพียงแต่กำหนดว่าเน้นนะเน้นใช้คำว่าเน้นเน้นหน้าที่การศึกษา เน้นหน้าที่ของการบริหารชุมชนบริหารสังคมเน้นเรื่องของศาสนาเน้นเรื่องของธรรมะก็เน้นเท่านั้นแต่ทั้งสมนี้บวอรอบ้านวัดโรงเรียนที่ยอ่อใช้พยัญชนะยอยงนี่ไม่ได้แยกขาดจากกันเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับร่วมกัน มากน้อยตามโอกาสตามความเป็นจริงของสัจธรรมที่จะร่วมกันเท่านั้นก็แสดงว่าทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันที่สบังคีใครแยก<ำ>ขาดใครที่เพลิไม่ไ ม, ไม่ไม่เห็นว่าไ ม, ไม่ไม่เห็นว่ารวมกันเนี่ยผิดพลาดอย่างมากเลยผิดพลาดมาไกลแล้วมาถึงวันนี้แล้วจำเป็นต้องดึงกลับแล้วก็นำมานามายืนยัน ทั้งปฏิบัติพิสูจนให้เห็นจริงทั้งอธิบายหลักฐานยืนยันของมูรเจ้าสอนไว้อะไรๆต่างๆนานาทั้งหมดเลยทุกประการต้องพยายามจริงๆคราวนี้เนี่ยมันคืออันนี้ประเด็นนี้เลยประเด็นนี้ผมไม่เคยคิดจะมาถามนะฮะเ อ, เอาเลยเอาแต่ประเด็นเนี้ยคือพยายามครอบครัวขยายให้มันรายละเอียดเพิ่มขึ้นว่า มากองแปดกับบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยความสัมพันธ์ที่ล็กซึ้งเนี่ยมันเป็นยังไงมันทาให้มันเป็นองค์ประกอบยังไงที่จะไปด้วยกันอย่างนี้<อ>ครับโอ้ตั้งใจฟังดีๆแม่ถามมาโอ้โหวาบเลยเพอถามมารู้สึกวาบเลยว่าโอ้โหอันนี้ดีจังเลยมาจุดประเด็นนะจุดชนวนให้กระจายไฟระเบิดอันนี้คือให้ออกมานะ ที่อาตมาได้พยายามอธิบายเข้าใจให้เข้าใจมาตลอดเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนเรเรื่องของคําว่ากายก็ดีเรียว่าองค์ประชุมทั้งหมดเลยบ้านวัดโรงเรียนนี่คือองค์ประชุมคือกายยะอันหนึ่งกายยะอันหนึ่งองค์ประชุมทั้งหมดของมนุษย์ชาติเลยบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยคือกายกายของ สังขารธรรมเป็นกายสังขารแท้ๆเลยนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ท่านก็ย่นย่อเข้าไปสู่สภาพขององค์ประชุมจิตเลยคือองค์ประชุมของสังกัปปะเจ็ดสังกัปปะเจ็ดสังกัปปะนี่ต้องศึกษาในมรรคองแปดข้อหนึ่งคือสังกัปปะใช่ไหมครับเพราะางั้นเราต้องวิจัยวิจารณ์อ่าน้าไปในจิตให้เห็นสังกัปปะเลยแล้ว สภาวะอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสระบุไว้เลยว่าจะต้องศึกษาลักษณะนี้ลักษณะนี้นะลักษณะแกนศรัทธาแกนปัญญาลักษณะแกนสมมะแกนวิปัญญสสนานะแกนส t ตติกแกนไดนาะมิ ก, static, ก dynamic, หรือแกนพลังงานเอนเนอร์จีแกนของเค n e เอนเนอร์จีเป็นต้นนะท่านแบ่งไว้ชัดในสังกปะเจแล้วก็ มันก็ทำหน้าที่อยู่ในเป็นพลังงานร่วมของมหาจักรวาลของพลังงานทั้งหลายเลยในมหาจักรวาลมันมีสองอย่างนี้จะเกิดพลังงานถ้าสองพลังงานนี้บวกกับลบหรือว่าเคมีติกกับพลังงานลหรือว่าศรัทธากับปัญญานี่ไม่เข้ามาทํางานร่วมกันไม่เกิดผลอะไรเมื่อไม่เกิดผลอะไรคาว่าสังขารก็ไม่มี ต่าคนต่างอยู่ไม่เกิดการปรุงแต่งอะไรกันจัดการอะไรกันไม่เกิดทําอะไรกันขึ้นมาเพราะงั้นต้องทํำกันขึ้นมาจัดการขึ้นมาสัมปัสัมปะสังเคราะห์สังขารกันขึ้นมาบวกลบคูณหารกันขึ้นมาจนกระทั่งสุดท้ายจะได้พ้นออกมาเป็นสังขารก่อนจะเกิดสังขารก็จะเกิ ด, กดพงุงผลของคําว่าสังขารสําเร็จเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งเสร็จสังคตธรรม เมื่อเป็นสังขารแล้วเมื่อบทบายการสังขารเสร็จออกมาเป็นผลได้คุณก็จะต้องรู้รายละเอียดของตักกะวิต ก, กะสังกะปะรู้จักอัปปนาพย ป, ปนาเจตโสเป็นโรปนป า, นาซึ่งเป็นคำตรัสที่พุะเจ้าท่านระ บ, บุถึงสภาวะของมันแต่ละแต่ละระดับแต่ระดับเอาไว้ในแกนของศรัทธาก็อัปปนาพยพนาเจตโสเป็โรปน า, ปนป า, นาหรือแกนบวก ส่วนแกนลบหรือแก น, แคนเคนติกแกนปัญญาก็ตักกวิจักกะสังกปะจึงเป็นต้นก็ต้องทํางานตามหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่เมื่อทํางานจากสังกปะเสร็จมันจึงจะเป็นผลสังขารที่จะออกมาทํางานเพราะฉะนั้นผลของสังขารที่จะทําได้เสร็จเนี่ยคนต้องทําได้ต้องมานาสิกานเป็น ต้องทำใจในใจนี่เรื่องของใจในใจทั้งนั้นเลยเรื่องของจิตในจิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อทำจิตในจิตนี้ให้เสร็จผลตามมีความรู้ทฤษฎีพพุทธเจ้านี่เอามาทำเสร็จคุณก็จะได้วจีสังขารสำเร็จลงเพราะฉะนั้นจึงต้องจัดการให้เกิดสังขารวัจีเป็นตัวแรกเพราอนิโรดนี่ดับอะไรก่อน ก็กิเลสดับดับกิเลสแล้วจบเป็นวจีสังขารก่อนตันที่เราได้เรียนมาท่านธรรมทินนาอธิบายให้พิสาข์อุบาสกฟังนี่ยืนยันชัดเจนต้องเป็นอันนี้ก่อนเพราะฉันได้วจีแล้วจึงมาคิดถึงองค์รวมเรียกว่ากายสังขารเมื่อได้ผลอย่างได อะไรเรียกว่าได้ดาบวิเศษได้บุญญาวุฒิวิเศษแล้ววิจีสังขารที่เป็นผลสําเร็จแล้วเนี่ยก็จึงเอามาตอนนี้ก็จะเอามาคิดใช้กับองค์รวมทั้งหมดไม่ได้คิดส่วนใดส่วนหนึ่งจะามารวมทั้งหมดจึงเรียกว่ากายสังขารเกิดตามแล้วก็ลงไปรวมพลังในจิตเลยตอนนี้เพราะพลังจิตเป็นพลังรวมทั้งหมด จิตสังขารจึงเกิดตามแล้วจิตสังขารเสร็จจึงจะออกมาเป็นกรรมข้างนอกอันนี้เป็นกระบวนการของมนโนกรรมทั้งหมดทั้งกาาระบาดเจตในเป็นกระบวนการของมนโนกรรมทั้งหมดเป็นเรื่องราวของมนโนกรรมเป็นเรื่องบทบาทของมนโนกรรมเป็นนิทานของมนโนกรรม เมื่อเสร็จออกมาเป็นวจีกรรมวจีกรรมจึงเกิดจากเหตุคือมโนโมรโุพังมโนกรรมเป็นประธานเสร็จออกมาแล้วก็เป็นต่อจากมโนกรรมพระเจ้าจากวจีกรรมจะไปเป็นกายกรรมมันตะกรรมทุกอย่างอาตมาถึงย้ำว่าไอ้กรรมมันตะเนี่ยมันไม่ใช่ใชเฉพาะกาย มันครบหมดเลยทั้งกายทั้งวจีทั้งมโนรวมกันอยู่ถ้าเรียกว่ากายก็ไม่ผิดกรรมมันตะมันมีกายด้วยคือมีองค์ประชุมด้วยแน่นแน่แน่แน่ใ น, น, น, น, นองค์ประชุมนั้นมีทั้งวัจีมีทั้งจิตด้วยเป็นกรรมเพราะฉะนั้นในกรรมที่จะทำทุกอิรรบททุกอิรรบดนะเรียกว่ากรรมมันตะนั่นคือบทบาทของสิ่งที่เกิดจากผล จากสังขารหรือวจีหรือแท้แท้ก็คือคุณธรรมของวัดกำลังออกมาสู่บ้านกำลังออกมาสู่บ้านหมายความว่ามีพฤติกรรมกับมนุษย์กับสังคมมีวจิจีมีกรรมตะแม้ที่สุดเราทำอาชีพเลี้ยงตนพึ่งตนไม่เบียดเบียนใครเป็นอาชีพก็ตามจนสามารถทำอาชีพทำงานผลิตเป็นผลผลิตเป็นอะไรอะไรออกมาได้มากได้เกิน ก็เผื่อแผ่ผู้อื่นตัวเองก็มีส่วนไม่ได้เบียดเบียนใครก็เป็นกินแบ่งใช้ในผลผลิตของเราที่เราเองเป็นผู้ทมซึ่งกรรมการงานต่างๆนั้นอะไรที่เป็นกุศลอันพึงทำทุกอย่างตั้งแต่งานทางคิดงานทางความรู้งานทางอธิยบทต่างๆงานทางแรงงาน เรียบทความรู้ความสามารถต่างๆจนกระทั่งเป็นผลผลิตเป็นวัตถุแท่งก้อนเป็นอะไรตัะใหญ่โตมโหฬารยังไงก็ตามใจออกมาเป็นเป็นส่วนที่เราเป็นผู้ลงมือกระทําทั้งสิ้นใช้แรงงานใช้ความรู้ทั้งแรงงานทั้งกายทั้งแรงงานทังจิตออกมาทําจริงๆนั่นคือผลของการทํางานรวมทั้งกรรมนตะอาชีพ ทีนี้ทั้งหมดนี้ก็ต้องศึกษาไม่ศึกษาและมันรู้ไม่ได้จับยัดใส่ยัดใส่ให้ใครก็ไม่ได้มันต้องสนใจที่จะศึกษาเริ่มตั้งแต่ความยินดีความพอใจจะศึกษาและตั้งใจแล้วก็พยายามภาคเพียนศึกษาจากผู้รู้จากผู้ที่มีของจริงทําขึ้นทําขึ้นทําขึ้นทําขึ้นจึงเกิดการ รู้และถ่ายทอดจึงเกิดการผู้มีและผู้รับมาสืบทอดต่อเนื่องเกิดขึ้นบ้านวัดโรงเรียนบ้านคือสังคมวัดคือเนื้อแท้ของธรรมะโรงเรียนคือการศึกษาต้องมีการศึกษาทั้งบ้านทั้งวัดอยู่รวมกันขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยนะเพราะงั้นสังขารตั้งแต่อยู่ข้างในมโน ออกมาเป็นสังขารข้างนอกนออกมาเป็นสังขารข้างนอกจนเป็นกายะสังขารเป็นองรวมของทั้งหมดโลกเลยโลกทั้งโลกนี่คือกายะสังขารไม่ใช่แค่ บ, บ้านวัดโรงเรียนเท่านั้นโลกทั้งโลกนี่เป็นสูตรที่ครบบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วโดยต้องศึกษาจริงๆใช้อุปกรณ์ นำจริงๆเป็นประธานก็คือต้องเข้าใจทฤษฎีหรือจะต้องมีทิฏฐิมีความรู้นำซะก่อนความรู้ความเข้าใจซะก่อนทำความรู้ความเข้าใจนำให้มันตรงให้มันถูกและเมื่อไปปฏิบัติก็จะต้องมีความภาคเพียรพยายามและตัวปฏิบัติจริงๆก็ต้องให้มีความรู้ตัวนำตลอดเวลาทั้งนอกและในทั้งนอกและในสติความรู้ตัวทั้งนอกและในสติธรรมปัญญะ นะสัมปชานะสัมปชติสัมปชล ต, ติอะไรเนี่ยเอาย่อแค่นั้นมันยังมีสัมปาเทติสัมมาไรตไรายกัตมาสัมปีอัตมาไม่ไหว้ลาคาดอธิบายไม่หมดนะยงอีกเยอะแยะนะจนกระทั่งสามารถสังเคราะห์เลยว่ากำจัดพลังงานหรือส่วนอะไรก็แล้วแต่ทุรีละอองที่มันเป็นสิ่งไม่ดีออกไปจากจิตให้ได้จริงๆเลยซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตทีย่ยี่มยอดที่สุดอัตมายัง นึกไม่ออกว่าใครจะทําได้ใครจะเห็นได้ถ้าเพิ่อไม่ใช่หลักสูตรของพระพุทธเจ้านี้และทําได้จริงเพราะอาตมาแม้จะมีไม่มากไม่มายมีความรู้ความสามารถเท่านี้อาตมาก็เห็นจริงเห็นจริงแล้วเอามาทําอยู่ในพิสูจน์เป็นผลว่าพวกคุณก็ยังมาเลยอ่าดูสิ่นี่เอาชีวิตหนุ่มมาทิ้งซะดืด้อๆงั้นน่ะอ่าเอาชีวิตพลังงานความสามารถที่จะไปกาะไปโกยเงินทองเข้ล้องละอย่างลาบอย่างยศคนก็ยังมาอย่างนี้อยู่ได้เห็นไหม อย่างน้อยคุณก็คนหนึ่งเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วจะหนีเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่เพราะว่ายังไม่แน่ไม่นอนแน่แล้วก็ไม่คิดจะหนีไปไหนครับเพราะว่าอยู่มานานแล้วเราก็เราก็ได้ผลดีเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยอันนี้เป็นเครื่องช่วยนนว่าเรารู้ว่าเราได้อะไรดีอย่างไรอย่างที่เพลงก็เปิดอยู่เนี่ยเรารู้ว่าหมุดมิหมู่นี้ดีแล้วก็เราก็จะไปไหนเราก็ต้องอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องทําต้องปฏิบัติต้อง พยายามเนี่ยมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอันเป็นข้อต้นของสุริยปยานเนี่ยของแสงอรณนี่จริงที่สุดเลยถ้าไม่มีมิตร ด, ดีพระพุทธเจา้าตรัสว่าเราเป็นมิตรดีของเธอณนภะิกษุทั้งหลายโอ้มันแรงนะทราบซึ่งนะี่ทำไมโง่จังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นมิตรดีเนี่ยมันโง่จริงๆเลยแล้วจะไม่ต้องเข้าหาเข้าใกล้เงียโสดสดับพยายามที่จะเก็บฟัง จะเอาอะไรกติกว่าการมณิ์หนุน่มครับปกติคนมันมีความโง่อยู่แล้วประจําตัวครับอืมแล้วก็จะโง่ไปอีกต่กดานกี่นานเท่าไหร่ก็มันดักดานเพราะว่าไม่ยอมลดความโง่ตัวเองครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละนะเพราะเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยที่อธิบายไปครลาสๆนี่จะเห็นได้ว่าสูตรสำเร็จพระเจ้านี่รวมเป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าความรู้ต่างๆความเป็นสังคมความเป็นมนุษย์ต่างๆความเป็นโลก มันรวมอยู่ในนี้หมดเลยถ้าเข้าใจแสดงว่าธรรมะพระเจ้าเนี่ยคือเรียกว่าสอนเป็นองค์รวมหมดทั้งหมดทั้งโลกเรียกว่าทั้งทุกอย่างรวมมาแล้วก็มาตั้งสูตรหรือตั้งทฤษฎีขึ้นแล้วเป็นทฤษฎีใหญ่ๆจนก็ตั้งทฤษฎีรองๆ อ, อ, อะไรแต่ อ, อะไรไปเยอะแยะขยายจากโพสังกปะเจนี่ออกมา ออกมามาเป็นกายกรรมวัจีกรรมวิจิกรรมรกา ย, กร ร, รยกรรมข้างนอกหมดก็ครบโพธิปักจีทำสามสิเลยครับลองขยายต่ออีกครับขยายสังกปปะเจไงครับขยายเพื่อที่ให้รู้จากความเป็นจริงของพลังบวกพลังลบหรือพลังงานเชิงบวกเชิงลบหรือเชิงแคมีติกเชิงโพเทนเชียนเนี่ยเชิงศรัทธาเชิงปัญญาเนี่ย ขยายออกมาก็มาให้รู้มาลงไปขยายออกไปเป็นเรื่องมีหลักการคือมรรคองแปดที่รวมไว้แล้วเมื่อกี้ขยายความมรรคองคปดและสังกปะว่าจากกรมันตะอาชิวะและก็มีสติมีวิญมาณทำให้สมาธิิจนกระทั่งสร้างใจสร้างสมาสมาธิขึ้นได้เมื่อท่านขยายออกมามีมรรคองคปดเป็นแกนเป็นทางเป็นแผนที่ใหญ่แล้ว เราก็ลงมือเดินด้วยโพชชงเจ็มีสติเป็นตัวต้นแล้วก็มีการวิจัยธรรมวิจัยต้องวิจัยวิจารณ์ต้องสัมผัสอะไรก็ต้องวิจัยออกเท่าที่กรอบขอบอเขตที่ความสามารถที่เรากำหนดอย่าไปทเทดจะวิจัยอะไรก็เลอะไปหมดเลยไม่มีที่หมายไม่มีองค์ประกอบไม่มีกรอบไม่มีอะไรที่จะทําหมือนเละมันก็ต้องมีกรอบ ทำตามฐานะของเราไม่ต้องไปอันอื่นอย่าเพิ่งไปยุ่งยุ่งไปสนใจต้องกำหนดให้ดีถึงเรียกว่าต้องมีฐานะฐานานุฐานะที่ทำเมื่อเราได้ลงมื อ, อได้ลงมือปฏิบัติเดินโพชงและก็มีวิจัยเป็นวิริยะใช้ความเพียรรมมันก็จะได้ปกประโยชน์ได้ผลโดยสข้อของโพชงงนียขยายมาเป็นโพธิปกิธรรมสข้อต้องมีความรู้ในสติปัฏฐานสี่ มีความรู้ในความเป็นกายกายนี่ไม่รู้ก่อนนี่ตกมาตายตั้งแต่ต้นทางเลยรู้ผิดรู้ไม่ครบมันก็ว่าว่าแหวงแว ง, แวงขาดขาดอยู่นั่นแหล ะ, ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าทังท่าไม่ดูถูกคนนะสายกายศักดีสสายศรัทธาเนี่ยทำไปถึงกายศักีิ์สิทธิยังบอกเอออาสวะบางอย่างของคุณอาจจะหมดได้แต่ ยังไม่จริงหรอกยังไม่ครบหรอกต้องมาสัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายแล้วก็เกิดปัญญายาณรู้ด้วยปัญญายา น, นันยิ่งมีผัสสะเห็นอยู่จริงๆเลยว่าอะไรสําเร็จแล้วเห็นในความสําเร็จนี่ท่านเรียกการเห็นอันนี้เนื้อกว่าปัจสติก็คือทิศสวาเห็นเห็นแล้วเห็นจริงๆเห็นผลสําเร็จเลยแสดงว่าคนตะก่อนเนี่ยที่ผู้จ่าสแสดงธรรมเนี่ยเข้าใจคําว่ากายใช่ จึงพูดคำนี้โดยไม่ต้องมีอธิบายเลยใช่ไม่อธิบายกันไงแม้แต่บอกว่าให้ปัญสายปัญญาวิมุตต์ไม่ต้องไปบอกว่าจะต้องสัมผัสวิมุกเป็นด้วยกายเพราะว่าก็ท่านมีเป็นสมาธิถี่แล้วมันก็สมาธิถติมันก็ต้องมีสิ <c oughs> ่งนี้ครบมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่นี่แหละจึงจะต้องกําชับกําชาจึงจะต้องพยายามมต้องตรวจว่าจริงๆแล้วสัมผัสวิมุกแปดด้วยกายรู้จักคําว่ากายครบหรือยัง แล้วมันครบกายไหมล่ ะ, ะครบกายไหมนเนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญมากะเพราะนั้นเมื่อรู้มีคาว่ากายเกิดการสัมผัสครบองค์ประชุมตากระทบรูปจะแล้วมีวิญญาณเขาร่วมเรียกไปแค่องสามจากองสามเนี่ยมันก็จะแตกตัวไปเป็นเวทนาเป็น สังขารเป็นอะไรอะไราบาลเบิกเข้าไปอีกคุณก็จับสภาพนี้อ่านก็คือกล้องดิ่งเข้าไปหาจุดสำคัญก็คือสังกปปะเจในให้ได้สติปัฏฐานสีนี่แหละกายในกายคุณก็ต้องดิ่งเข้าไปหาสังกปปะเจได้ให้ได้เพราะในสังกปปะเจเริ่มจิตตักกะำรำบริก็ต้องวิจัยเลยทาเรื่องวิจัยสัมโพชฌงเนี่ยวิจัยเลย เฮ้ย hey, เอง็งเริ่มดําุตนี่มันมีอะไรมาเป็นพวกวะอ๋อมันมีกามพกมามันพกกรรมมาด้วยนะเนี่ยมันไม่ใช่พกแฟนนะพกกรรมมาด้วยนะเนี่ยพกกรมมาหรือพกพยาบาทมาด้วยก็ต้องจับไม่ได้ให้ทันเออแฝงมาเลยนี่เอง็งแมมกามีกเมียนมาไมา่ให้ใครรู้ดันไม่รู้ต้องเอาให้รู้ให้ได้ เมื่อรู้ได้แล้วจับได้ว่าอ้าวอันนี้มันมีกรรมสังกปะหรือการมวิตตกเราก็จัดการกําจัดแล้วก็จัดการกําจัดด้วยปัญญานี่สายปัญญาธรรมทําจริงๆเพราะฉะนั้นจากองค์ประชุมเลิกว่ากายมันมาเป็นเวทนามันก็หลอกมันเป็นอารมณ์เทวดาอารมณ์ออชอบ อารมณ์ชื่นมันก็พลางก็หลวงเราก็จะต้องรู้ทันมนุษยพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าเป็นของเท็จไม่ใช่ของจริงก็ต้องพยายามรู้ว่าเออมันหลอกอยิงเมันเทจ็จอย่างเมันไม่ใช่ของจริงจนจะทั่งจับตัวผีหลอกได้ตัวเหตุได้น่าจริงๆเสร็จแล้วคนก็กำจัดมันด้วยวิธีกำจัดต่างๆนานาวิธีกำจัดก็ต้องเห็นความจริงได้เป็นไฟชารมันไฟพลังงานที่สูงเหนือชั้นไม่ใช่ไปกดไปกมไม่ใช่ไปทำลายอะไรเขา แต่ใม้มีพลังนี่เหนือจนกระทั่งพลังงานมันเกิดอายเกิดกลัวเกิดหายไปเองจริงๆเลยอ่านี่คือสภาพจริงของสิ่งที่เป็นพลังงานจริงๆเกิดขึ้นจนสามารถรู้จักเวทนาในเวทนาได้จับตัวผีคืออกุศลจิตสาราคะาก็รู้สาโทสะก็จับได้หรือสโมหะก็ตาม ก็จึงเลื่อนมาเป็นตัวจิตกายเวทนาจิตแล้วเราก็จัดการมันกำจัดมันเสร็จเสร็จปับ๊บมันก็เป็นสภาพที่ทรงอยู่เกิดทรงขึ้นและทรงขึ้นด้วยความสะอาดจากที่กำจัดมันออกไปก็ตั้งอยู่ด้วยกุศ ล, ลธรรมเป็นธรรมในธรรมที่ของจริงที่เราได้ทำได้เพราะฉะนั้นใน กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมภาษาพยัญชนะใช้แค่นี้แต่กระบวนการก็มันต่อเนื่องกันและมันทำงานร่วมกันอย่างนี้เป็นกันขันตอนๆมาจากกายมาเวทนามาจิตมาธรรมตามที่อธิบายสู่ฟังนี้เพราะงั้นถ้าทำสำเร็จจริงได้แล้วจนครบในเป็นวจีสังขารตัวนั้นนะที่อธิบายแลวอธิบายอีกในสังกปะเจ เพราะฉะนั้นคำว่าวจีสังขารคํานี้จึงเป็นคําที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่จะรู้เล่นไม่ใช่จะรู้ง่ายๆคนจะรู้จักวัจจีสังขารก็ไปเข้าใจเป็นวจีกรรมไปหมดจะรู้จักเห็นแจ้งในตัวควําวจีสังขารสังขารตัวนี้จริงๆจะต้องคนมีนิโรธไงพอทํานิโรธได้จริงจึงเห็นวัจจีสังขารที่จะรู้สังขารที่เป็นวจจีนิโรธดับ นิโรอดดับอะไรดับก่อนวจีสังขารดับก่อนกายสังขารดับแล้วก็จิตสังขารดับจึงเห็นตัวดับจริงๆในวจีสังขารไม่ใช่วจิกำนะที่มันเป็นภาษาคําพูดแล้วอยู่ในจิตใจเราฟังรู้หรือไม่เป็นภาษาคำพูดแล้วอยู่ในใจเรามันยังไม่ออกมาให้ใครรู้ใครเห็นไม่ให้ใครได้ยินมันเป็นภาษาคำพูดแล้วบอกแล้วว่าคุณเป็นแจ็คาภาษาแจ็ค คุณเป็นไทยภาษาไทยคุณเป็นอีสานภาษาอีสานคนเป็นอะไรก็ภาษานั้นคนมีหลายภาษากูอาจจะรู้ในภาษาใดภาษาใดก็ตามแต่รู้มันหมดนะนั่นแหะมันก็เกิดรู้แหละแต่ยังไม่ได้เกิดการใช้มันเป็นกรรมกิริยาอะไรออกมาเลยยังไม่เป็นวาจายังไม่เป็นออกมาทางนอกยังไม่เป็นแม้แต่ทางในก็ยังไม่ได้ใช้อะไรมากมายเป็นแต่เพียงรู้ว่าอ๋อมันเสร็จแล้วการอภิสังขารการสังขารการจัดการอย่างยิ่งจัดการ ดับไปตัวร้ายแล้วเหลือตัวดีขึ้นมาแทนได้อย่างจริงจังนะพระพุทธเจะรู้ว่าจีสังขารนี่จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะเข้าใจที่อาตมาพูดนี่ถ้าใครไม่มีสภาวะนี่ก็ก็ฟังตามไปได้วยเหตุผลด้วยความหมายเท่านั้นแต่ใครมีสภาวะจะเข้าใจได้ดีเลยอาตมาอธิบายได้ขนาดนี้น่าจะเข้าใจได้ดีด้วยแม้ว่าจะยังไม่เก่งเท่าไหร่อธิบายยังไม่เก่งเท่าไหร่ก็น่าจะเข้าใจได้ดีจริงๆนะ นึกเป็นไงครับพอเข้าใจอยู่ครับเป็นไปตามที่ว่าไหมครับคิดตู่ไหมขิดตู่ผมคิดตู่ไหมคิดตู่ว่าผมอธิบายดีๆพอสมควรครับพ่อครูอธิบายดีอยู่แล้วครับแต่ว่าผมจะเข้าใจดีหรือไม่นั้นเอาดีมากทำตัวเองออธิบายอธิบายดีแต่ตัวเองยังไม่ค่อยมีปัญญาดีเอาทำตัวเองก็ดีแล้วเพราะว่าเวลาพระครูอธิบายเนี่ยปีสภาวะจะบังทีธภาวะเราขึ้นไม่ทันอ เราก็ตามไม่ทันเหมือนกันครับเพราะว่ามันถึงมีสภาวะไปจับกับสิ่งที่พระครัวอธิบายเพราะงั้นจะเห็นได้ว่าในกระบวนการของสติปทานสี่นี่จึงไม่ใช่เรื่องที่กระพูดกันเล่นๆและไม่ใช่เทตักกะมันจะต้องมีการเป็นจริงเลยของกระบวนการจิตกายวาเวทนาจิตธรรมมันกระบวนการของจิตทั้งหมดเลยครับทีนี้กระบวนการของต่อมาสมปทานสี่เป็นกระบวนการที่ ออกมาครบเลยทั้งนอกและในสมประทานสี่มาสังวร อ, อิน ส, สีหกใช่ไหมสำรวมสีหกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็กมีจิตเข้ามาร่วมแล้วก็รู้ทั้งสติปทานสี่นั่นเองต้องสามารถเข้าใจสติปสารสี่นั่นเองแล้วข้างนอกมาสังวร อ, อินรียหกก็เอามาร่วมสัมผัสอยู่ทั้งตาหูจมูกลิ้น ก, กายกับอะไรที่คุณสัมผัสอยู่ได้ ตาคุณยาวก็เคยเห็นเป็นนวลถึงนิวยอร์กนวลถ้าตาคุณสั้นก็เห็นอยู่แค่นี้เดี๋ยวนี้มันเห็นนิวยอร์กจริงนะมันกดปุ๊บนี่มันเห็นเลยนิวยอร์กกาลังทําอะไรอยู่เป็นปัจจุบันนี่อาจจะช้าเป็นวินาทีนาทีบ้างแต่มันเห็นจริงๆเลยนี่มันกําลังเกิดอยู่เห็นนะเดี๋ยวนี้มันตาทิพย์กันขนาดนั้นเเทคโนโลยีมันช่วยนะบางคนก็สามารถเห็นของจริงข้างนอกได้และขณะที่สัมผัสอยู่จริงๆเนี่ย ใจคุณอะไรมันจัดการสังขารมันปรุงแต่งอะไรกันอยู่มันมีตัวพีอะไรมาคุณก็ต้องตามรู้มันให้ได้สังขารในใจเราตัวนี้ยากสังขารจิตเนาะตัวนี้ยากมากอ่าสังขารจิตคํานอกนี่คือกายสังขารสังขารจิตมันตรงอยู่ข้างในนี่อะไรบ้างคุณก็ต้องมาวิจัยมาอ่านตัวนี้เพราะฉะนั้นสัมมาสัมปทานสสังวรทั้งหนี่คือขยายออกมาข้างนอกแล้วครบแล้วเสร็จแล้วท่านสรุปว่าประหารประทาน คุก็รู้มีทฤษฎีมีอะไรคุณก็รู้ต้องใช้โพดชงเจ็ดใช้มรคงแปดอะไรคุณก็ทํากันไปดิทากันไปดิจนจํากัดเขาไม่ใช่จำกัดกําจัดจนกําจัดกิเลสได้จริงใช่ไหมพอกําลัดกําจัดกิเลสได้จริงจริงจริจริงจริงยังไปก็เป็นภาวนาประทานเป็นผลเป็นผลก็รู้ผลนี่แหละโอ้นี่แหละผล ทำอย่างนี้มันลดจริงเห็นจริงมันจางคลายหรืมันสําเร็จถึงขั้นนิโรธถึงขั้นดับมันได้จริงๆรโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเด็ดมียานปัญญาไม่วิจิกิจยาเลยเห็นอ่านจริงเลยจนกระทั่งโอ้นี่มันได้สําเร็จเนี่เป็นสมุทเฉทวิมุติมันสําเร็จเลยมันเด็คขาเลยนี่มันครบแล้วนี่มันเป็นนิโรธจริงๆเลยนิโรธอะไรยังไงเขาก็จ่ายหมดแล้วว่าอาการของกิเลสตัวตนของกิเลสเป็นยังไงมันดับอาจจะขั้นต้นว่ามันดับ แล้วมันยังมีเศษธุลีละอองมันยังมีเกลี่ยงเรียบร้อยอะไรไหมตรวจสอบอีกด้วยอาเสวนาภาวนาพระหุกษกกำมังแล้วก็ใช้ยาในระดับอรูปฌานสี่เป็นต้นแล้วก็ทําอีกทำอีกทำอีกทำอีกทำอีกล้างอีกล้างอีกเรียกว่าปฏิสังขานุปัสนายานก็ตามเรียกว่าสั่งสมให้เกิดอเนินชาอภิสังขารก็ตามใส่ลงไปใส่ลงไปทําลงไปอีก อาเสวนาภาวนาพระหุลีกกำมังทำอย่างนี้ทำอย่างที่เคยได้เนี่ยเลยว่าคุ้นเคยทำอย่างซ้ำนี่อย่างคุ้นที่มันเคยเคยทำได้นี่อาเสวนาภาวนาแล้วก็ทำให้มันเกิดผลอย่างที่มันเกิดนี่แหละทำให้มากว่าพระหฤกษ์กำมังทำก็ไปทำก็ไปทำก็ไปทำก็ไปตัวที่ทุกวัน น, นี้ตัวที่ยากก็คือทำให้มากผมรู้สึกตัวเองนะใช่ เพราะว่าเกลียดมันนึกว่าได้แล้วครับคือผมเห็นสึกเออพอได้แล้วเนี่ยตามันอย่างเงี้ยตามันอวดดีจิตมันจะมีอย่างหนึ่งคือว่าได้แล้วมันก็เลเริงนั่นจิตมันอวดดีมันอย่างนั้นผมจะพอเลเริงปุ๊บมันก็หัวมันเข้าขอหัวมันแล้วมันก็จะปล่อยอพอปล่อยซุ้กิเลสก็เข้าอีกนี่แหละคือประมาททุกตัวครับผมจับประด้นว่าคือความประมาทของเราทุกตัวเลยนะอย่าประมาทพระพุทธเจ้าถึงบอกทําให้เผื่อพอเกินพอทําให้จน จนมันไม่มีทางดิ้นไม่มีทางโลดจนมันเกินอ่ะมันเกินมันจะเสียหายอะไรล่ะไอ้สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐมันเกินมันจะเสียอะไรครับเพราะว่าใจเราจะจับอย่างที่พวกครูบอกต้องพากเพียรเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวไม่มาชนะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนคนชนะกีฬาให้หน้าแดงก็เหลืงนะครับหลงเลยหลงเลยเลยใรเสริเองได้สุดท้ายตัวเองก็กีเดทก็หวนกลับมาอีกใช่ตัวเองกอ้าวแล้วทําใหม่อีกอะไรงเงี้ย ผมจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเอาคำสอนไว้หมดเลยอาเซวนาภาวนาพระรีกัมมังกวดีอนุรักษนาประทานรักษาผลรักษาผลสั่งสมเป็นอาเนชาพิสังขารทําไปทําไปหรือแม้จะไปขยายวิโมกไม่ใช่วิโมกเวทนา36 3ส36าสร้อยแปด สั่งสมทุกปัจจุบันที่ยังมีบทบาทยังสัมผัสสัมพันธ์ยังเกี่ยวข้องกับสังคมอยู่อีกมีอีกทําอีกอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเสวนาเสวนาภ า, าวนาพระคุณดีกําลังเงียบไปอีกจนมันสั่งสมผลตกผลึกลงเป็นอัปปนาพยพปนาเจตโสเป็นโรปนาโอ้โหแน่แน่แน่แ น, นปกักมั่นต้องไปสั่งไปเปน้ําหนักไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่างแท้จริงจนกระทั่งคุณมั่นใจเองไม่ประมาท อ่าเมื่อใดก็ไม่ประมาทครับพูดยนเมื่อยเลยครับคือฟังว่าจังจะทำได้อย่างพวกครูที่อธิบายเนี่ยมันจะต้องจิตมันจะต้องโน้มใจไปสิ่งที่รดระกินแล้วก็ไม่ประมาทอย่างที่พระครูบอกแต่ประเด็นที่สําคัญคือผมดูว่าคนไหนผมช้าอะไรบางเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราประมาทพอเราได้รู้สึกเราก็เออ มันคงไม่มีอะไรแล้วมั้งสุดท้ายมันก็โจมโจมตีเราอะครับเราก็อ้าวเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยคือมันทําให้เราวนเวียนนะครับวนเวียนเป็นว่าต่าสงสารผมว่าไอ้นี่ก็จะเห็นจริงไงอ้าวเห็นไหมเนี่ยเราประมาณนึกว่ามันแน่แล้วมันยังมีเหลือมันยังมีหลอกมันยังมีอะไรอีกครับแล้วมันก็พอหลังมาจับอารมณ์ได้เอามาแล้วพาชนะเอาอีกแล้วอมันเริ่มระเริงอีกแล้วแน่คือว่าจะจับได้อารมณ์นี้เขารู้สึกเราโดนกระหน่าไปหลายที่ เพราะนัเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออฟังว่าครูหลายทีหลายทีเนี่ยส่วนใหญ่ชาวศพถ้าผมก็ปฏิบัติธรรมมานานหลายปีเนี่ยแต่ว่าทาไมเราไม่ทะลุให้มันถึงที่ได้ทักทีเพราะว่าอ๋อเราประมาทตรงนี้เองคือเราพยายามเพิ่มให้จริงไม่เอาสาหัวิริยาจริงเยาะเยาะแยแยครับพอเราสบายแล้วเราก็ เริ่มประมาทได้ไดฉะนั้นประเด็นที่ผมดูนักปฏิบัติธรรมหลายคนที่มาอยู่ยาวนานแล้วก็พยายามเข็งคัดตัวเองเนี่ยผมว่าจุดนี้เป็นจุดตายเหมือนกันที่ประมาทแล้วก็อาสวาัตอุสัยมันก็แตกตัวยังไม่ดีไปอนุโลมด้วยนะยังไม่แน่จริงอนุโลมก็เสร็จเลยนะก็อย่าเพิ่งอนุโลมง่ายๆนะก็ค่อยรักษาเนื้อรักษาตัวของตัวเองอธิบายต่อจากสมประทานนะเราก็เอาไปปฏิบัติ เป็นสังวรประทานและประหารประทานจนได้ผลเป็นภาวนาประทานและอนุรักษณาประทานการอนุรักษ์ปนาอนุรักษณาการสะสมการรักษาผลไปเรื่อยๆนี่แหละก็สั่งสมลงเป็นอินทรีย์ตั้งสมงเป็นอินทรีย์อินทรีย์ห้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเห็นความจริงความรู้ความเชื่อศรัทธาเออมันก็เชื่อมากขึ้นเห็นจริงมากขึ้นเป็นความรู้ที่ยิ่งขึ้นเป็นศรัทธาเข้าไปเรื่อยๆเรื่ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ เสร็จแล้วมันก็ยิ่งทำให้เราเห็นไอ้ตัวที่มันมีจิตรู้ว่าไอน้นี่ดีของดีมันดีแน่ๆเลยเนี่ยคนเรารู้ว่านี่เป็นอธิยสั์เป็นสุดยอดแห่งรับเนี่ยความพยันวิริยะมันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเราก็ยิ่งรู้เลยว่าอ่อมเมื่อดีแล้วล่ะขยันในสิ่งที่ดีภาคเพนในสิ่งที่ก็โถมความขยันเข้าไปอีกการโถมความขยันเสริมเข้าไปอีกก็ทักจิตตัง วิริยะจิตตะที่ผมใช้คำแปลจิตตะว่ามีแรงเท่าไรโถมมันใส่เข้าไปให้หมดใส่ท่านก็แปลว่าเอาใจใส่โอ้เบาเบาหยิบเบาๆนะใจแล้วก็ใส่อาตมาบอกไม่เบาหรอกมีใจมีแรงเท่าไรโถมก็ใส่ให้มันหมดเลยเอาใจใส่นี่ของอาตมามันจะต้องใช้วิธีนั้นวิธีผู้ดีท่านจะเอาเบาบหยิบใจใส่เบาเก็ว่าไปแต่อาตมานี่ต้องจิบใส่เต็มเต็มเลย จิตตะวิมังสาเอาเต็มเนื้ออะไรไม่เนื้อเอามันออกไอ้เนื้อเอาเอาเอาเนื้อไอ้ไม่ไม่ใช่เนื้อเอาออกเมื่อกันเอาเอาวิวิเป็นภาคสองอย่างไอ้นี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมอ้นี่เอาเอาเอามีลักษณะสองอย่างชัดๆวิเนี่ยมังสาเนื้อแท้เลยเค้นเอาเนื้อแท้ให้ได้นี่แปลอย่างโพธิรักเลย ใครจะไปแปลยังไงก็ไม่ว่ากันไม่เถียงไม่แย้งกัใครอ่ะขออธิบายความจริงนี่ใครเห็นดีเห็นได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เชิญไม่คิดตังค์แค่ไม่ใช้ก็ไม่ว่ากันนอกจากไม่ใช้นันไปดูถูกแล้วจะย่ำยีก็ไม่ว่าอีกเรื่องของเขาจะย่าดีก็ไม่ว่ากันสรุปแล้วอินสี่ห้าก็ขึ้นไปเรื่อยๆวิริยะจิตตะไม่ใช่จิตวิริยะศรัทธาวิริยะสติความตื่นรู้ตื่น เต็มทั้งนอกและในสติเนี่ยมันก็จะยิ่งมีพลังทั้งนอกและในทั้งเร็วนะทั้งเร็วทั้ทงไวทั้งคล่องตัวทั้งรู้เพิ่มมีความเฉลียวฉลาดเพิ่มสติสัมปชัญญะก็เนื่องกันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆก็เกิดการใช้สตินี่เป็นตัวปฏิบัติให้เกิดสติสัมปช่องเกิดสติปัฏฐานสีเกิดส ต, สดสสติสัมมาสตินะเกิดสัมมาสติ เพราะเวลาปฏิบัติจะต้องให้เกิดสัมมาสติให้ได้ทุกครั้งที่ปฏิบัติมันจึงเกิดภาคปฏิบัติเกิดสติปัฏฐาน4ีนะ่เมื่อได้ผลก็เป็นสติสัมโพชฌงคนะ์แล้วก็สั่งสมลงไปสั่งสมลงไปเป็นสติเป็นสมาธิเมื่อเกิดผลก็สั่งสมเป็นเอกคตาจิตเป็นสมาธิขึ้นเรื่อยเป็นกำลังของสมาธิสูงขึ้นตกผลึกลงไปตกผลึกลงไปตกผลึกลงไปตกผลึกลงไป เราก็รู้มีปัญญินทรีย์มีกำลังของความรู้รู้ว่ามันเป็นผลผลจริงมันเป็นยังไงนะเมื่อผลจริงเป็นยังไงรสชาติของผลก็รู้ด้วยโอ้รสชาติของผลนี่เป็นธรรมรสสุดวิเศษเลยธรรมรสนีสุวิเศษคุณจะรู้เองปัจจตังเวทิตพรวิญยูหิกนะก็เกิดปัญญินทรีย์ขึ้นมาจนปัญญาอินทรีย์ของทั้งห้านี้เต็มก็เรียกว่าพละ เป็นกำลังเลยเป็นกําลังเลยกําลังแห่งผลกําลังของสิ่งที่บรรลุจะเรียกกําลังสี่ก็ได้กําลังปัญญากําลังวิริยะกําลังอนัตวัชชะกำลังสังหะก็ได้นะกระถางกระยนย่อไปไว้กําลังสแล้วซึ่งมันเป็นประโยชน์สรุปนะที่อธิบายมานี่จะตั้งถึงอินทรีห้าแล้วก็พละห้าแล้วโพชฌงเจ็ดก็พูดไปแล้วมรรคองแปดก็พูดไปแล้วก็ครบ โพธิปักเจ้ารมที่เป็นสูตรอันยิ่งใหญ่ด้วประการชนี้ครับก็ต้องขอบคุณมากพรอครูอย่างมากมากเลยครับเพราะว่าอธิบายอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้ฟังซ้ําอีกอยังเข้าใจไม่หมดนะผมเชื่อตัวเองงั้นใช่เพราะวผ ม, ผ ม, ผมอธิบายยังไม่เก่งยังไม่ละเอียดอีกเรือีกกว่านี้ได้อีกแล้วเลียดได้กว่านี้อีกก็<ม>ทำไปเรื่อย เพราะว่าพา่อครูอธิบายสภาวะเนี่ยเราจะต้องดึงสภาวะฟังอย่างวันที่พ่อครูอธิบายเนี่ยผมก็ต้องไปนั่งฟังทวนบางทีบางประโยคเก็ฟังทวนใหม่หลายครั้งไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเอาเอาฟังใหม่ <laughs> <c oughs> เพราะว่ามันต้องตรวจสอบว่ามันตรงกันไหมอะไรกันไหมและเป็นจริงยังไงบ้างครับเพราะว่าสภาวะธรรมมันไม่เรื่องธรรมดาที่เราจะเดาเอาได้นะครับคราวนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยพ่ะครูเคยเขียนใหนหนังสือเรา เราคิดอะไรไว้เล่มสุดท้ายเนี่ยครับในสังคมมนุษย์โลกนะคืออธิบายคําว่าคําว่าวิญญาณทิติเนี่ยคือปฏิบัติธรรมต้องมีวิวญญาณทิติเจให้คือวิญญาณที่เรารับรู้ไปปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าในศัตว์ว่าดเก้านี่ยมันก็มีหัวข้อที่เหมือนกันแต่มันต่างกันอยู่ที่ว่าสองหัวข้อ ในเรื่องของอสัญญาในเรื่องของเดวสัญญานาสัญญายตนาะที่ที่เป็นอยู่เนี่ยคราวนี้วิญญาณที่ฐิคือวิญญาณที่เราปกติที่เรารับรู้ที่จะปฏิบัติธรรมแต่สัตตวัสก้ า, า, าวา 9, นี้เราจมอยู่ในความสัตว์อนั้นเพราะครูลองอธิบายซึว่าเอ๊ะมันจะต่างยังไงแล้วไอ้วิญญาณที่ตรองวิญญาณที่ฐิกับสัตวะวัสก้าวเนี่ยมันต่างตรงไหนเพราะว่ามันมีคําเหมือนกันอ แล้วมันก็มีอะไรเหมือนกันหมดเลยอืซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างผมที่จะไม่มีความรู้เรื่งบริษัทมากญานอย่างนี้ผมก็อธิบายไม่ออกเหมือนกันเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมั น, มนวิญญาณทิติอะปกติผมเข้าใจถูกไหมวิญญาณทิติคือวิญญาณที่รับรู้ที่ต้องปฏิบัติธรรมแต่ถึงสัตว์ว่าด้าวเนี่อเอาแล้วหมายความว่าเราจมอยู่กับสิ่งนั้นใช่ไหมเป็นสัตววาดเป็นสัตว์แล้วถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมใ้ความเราก็รับรู้ว่าเราเป็นสัตว์จึงลดละกิเลสได้เป็นอย่างนี้หรือเเปปล่่่าาาหรรรืออว็นยงไรครับ ดีเพราะนักปฏิบัติทมถ้าเผบว่ามันไม่เข้าใจเป็นบัญญัติเป็นภาษาที่พระเจ้าท่านกำหนดออกมาเอาสภาวะมากำหนดโดยหลักวิญญาณทิฏฐิเจสัตววาเกนี่ก็ดีซึ่งเป็นนามธรรมา ท, ทั้งนั้นเลยพวกนี้ไม่ได้เป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอะไรเพราะนั้นผู้ที่ไม่รู้ไม่รู้ความจริงเนี่ยศึกษามา ไม่รู้ปรมาติ์ปรมาติ์มันหมายถึงอาการของจิตทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของตัวตนบุคคลเลยนะเพราะความเป็นสัตว์ที่ว่าเนี่ยท่านก็นสรุปเอาไว้ว่าสัตว์มันมี9ชนิดนี่แหละโดยเฉพาะชนิดที่หนึ่งตรงกันกับวิญญาณทีติข้อหนึ่งแล้วก็เจ็ดข้อนะั้นะตรงกันหมดกับสัตววาเ9เพียงแต่ว่าข้อห้า สัญยีสัตว์กับข้อ9้ในวาสัญญานาสัญญายตนะสัตว์สัตว์สองอย่างนี้ก็คือสัตว์ที่ผู้ไม่รู้เนี่ยไปทําทําให้มันเกิดอสัญญีเกิดในวาสัญญานาสัญญายตนะสัตว์ก็คือไปมีความเห็นว่าจะต้องเป็นดับจิตดับสัญญาดับเวธนาเขาก็ไปดับจริงๆ ในสายของฤษีหรือสายของนอกรีดเนี่ยเขาไม่มีสัญส ญ, ญาเวททยึดแต่นิโรธเขาไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นฌานของขาก็มีฌานแปนะมีฌานแปดปฏิบัติยังไงก็มีแค่ฌาน8แล้วเขาก็โมเมคําว่านิโรธเนี่ยมาเรียกอะไรก็แล้วแต่จะไปะยัดใส่เข้าไปอะไรก็ตามใจประยัดใส่อกิจจัญญาญตนาระยัดใส่เนวัชญานาสัญญ า, า, ญญญายาตนะหรือประยัดใส่เมื่อเป็นดับเลยตั้งแต่ได้รูปประฌานปั๊บ เก่งแล้วก็ดับมันเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้เขก็ยัดเอานิโรดนี่ใส่เข้าไปเอาทําสภาวะนิสใสเข้าไปทำให้สเร็จเป็นนิโรดดับจิตดำมืดคือทําจิตไม่รับรู้อะไรเลยดามืดไปอย่างนั้นนะอ่ะจิตแบบนี้เรียกว่าอสัญยีสัตว์จะเรียกด้วยพยัญชนะจะเรียกด้วยสภาวะที่ละเอียดเข้าไปอีกอย่างไรก็แล้วแต่ก็คือคุณดับจิตได้ อาสัญยาก็ดับได้ในวัสยานาสัญญายจตนะก็ดับได้ดับลงไปทั้งคู่ดับไม่ให้มันรับรู้ไม่ให้มันทำงานงานไม่ให้มันทำหน้าที่ของาธาตุรู้ที่มันจะทำหน้าที่รู้เพราะฉะนั้นถ้าพูดใดไม่เข้าใจอันนี้แล้วก็เป็หลงอันนี้ว่าเป็นสิ่งวิเศษไปหลงอรูปฌานข้อที่8คือในวัสยานาสัญญาเจตนะแล้วก็ไปทาสภาพนี้จนสาเร็จก็จจมอยู่กับไอความดับ คุณก็เปสับที่ดับหรือเข้าใจผิดสัญญีคือดับเวทนาดับสัญญาตอนไหนก็แล้วแต่ที่คุณไม่ตอนไหนก็ตามแม้แต่เจ้าตอนชาน4สี่หรือตอนไหนก็ตามเถ อ, อะคุณดับได้ไม่เป็นชาลก็ตามถ้าคุณดับจิตไดอ้อย่างหมอ ว, วิสัญญีเนี่ยแต่ว่าวิสัญญีดับแต่เฉพาะประสาทนะจะทำยังไงจะบล็อก กระดูกสลังหรือว่าจะใช้ยาฉีดยาดมอะไรก็ตามใจดับไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่สัมพันธ์กันไม่ประสาทอะไรไม่ทำงานแล้วแม่ที่สุดคุณไม่ใช่ไปทำประสาทเท่านั้นคุณไปทำจิตเลยไปบล็อกจิตหรือว่าไปกำาจัดไปไปสะกดมันไม่ให้มันทำงานทำหน้าที่ได้สำเร็จ มันก็ไม่ทําหน้าที่รู้อะไรเลยตับมืดไปเลยมันเป็นจิตมันเป็นาธาตรู้ที่สว่างเป็นาธาตรู้ที่แจ้งนี่มันไม่แจ้งอะไรมันมืดดําปีเลยคุณทำได้สําเร็จคุณก็เป็นสัตว์แบบนี้นะอสัญญาสัตว์ก็ดีเนวัช ญ, ญานาะสัญญาก็ดีเพราะฉะนั้นอันนี้จึงไม่ได้อยู่ในฐานะที่คุณจะเรียนรู้ได้เลยใครเข้าใจเพรนีเสร็จแล้วก็ไปทําอันนี้หลงว่าอันี้คือนิโรธ นี่ในศาสนาพนุทธนีน่สงสารอย่างยิ่ยงตรงเนี้ตอนเนี้พูดเตือนกันให้เข้าใจอันนี้แล้วก็พยายามเรียนรู้แตว่าไม่ใช่นี่โรจนอันนี้ไม่ใช่ของพระเจ้านีโรจนนี้มีง่ายๆตื่นๆทาได้ทําเสร็จแล้วก็จมอยู่ตรงเนี้แล้วมันก็ไม่รู้อะไรต่อ่ไมนอกจากไม่รู้อะไรต่อแล้วก็ปฏิบัติอะไรต่อก็ไม่ได้คือ ม, มันดับจิตแล้วจะไปทำอะไรควบคุมคอะไรเป็ น, น ม, ม, มันก็เป็นท่องแท่นหินท่านดินอะไรนั้นเอง คือผมก็มีสภาวะคือเคยอ่ะผมนั่งกินอาหารเงี้ยเราก็ไม่รับรู้รสเลยอืก็เฉยเฉยเราก็แล้วแล้วมันกินอะไรเนยคุณก็รู้แล้วว่าคุณไม่รู้รสก็คุณก็รู้อยู่ว่าคุณไม่รู้รสแต่สัญญากันในวาสัญญาเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าเรารู้อะไรพอมายิ่งวันนี้กันไปอีกยิ่งเลยมันไม่รู้ว่ารู้อะไรเลยไอ้ที่คุณบอกว่าคุณกินอาหารนะไม่ไม่รู้รส ในคุณผู้รวมๆว่าไม่รู้รถมันก็อาจเป็นรถที่คุณบอกไม่ได้เท่านั้นเองว่ารถอะไรคุณแยกก็ไม่ได้รถนี่เป็นรถธรรมชาติกับรถที่เป็นกิเลสเป็นกิเลส ร, รถของกิเลสรถของอารมณ์ที่เป็นโลกียะคุณก็มาแยกไม่ออกคุณก็เลยรถมันก็เลยปนกันเละเลยทีนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรแยกไม่ได้มันก็เลยเป็นรถไม่รู้เรื่อง นั้นเองเป็นรถมั่วๆนะเป็นรถไม่รู้ว่ารถอะไรคุณก็เลยตอบคุณก็เลยพูดว่าไม่รู้รถก็ไม่รู้ยังไงก็คุณรู้ว่าคุณไม่รู้รถคุณไม่ได้ดับปีดับไม่รู้อะไรเลยเหมือนอาชัญยีแต่ว่านี่มันก็ยังรู้อยู่บ้างใช่มันรู้แต่มันแยกไม่ออกแต่ถ้าสัญยีนี่มันไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยมันมืดดำไปหมดเลยครนะจึงว่ากินนะกินนะฮะแปลว่าดำมืดมืดดำไม่หมดเลย ดื้อความรับรู้อะไรไม่มีอย่างนี้เป็นต้นน ะ, ะเพราะฉะนัน้นศาสนาพระพุทธเจ้าจึงตัดเลยเรื่องอสัญญีกเกณฑนวัชยานาสัญญาจตนะไม่ให้ทําถ้าทําแล้วไม่มีทางรู้เพราะในการปฏิบัติจึงต้องมีธาตุรู้เรียกว่าวิญ ญ, ญาณตั้งอยู่ทํางานตลอดเวลาเรียกว่าวิญ ญ, ญาณทิติต้องมีวิ ญ, ญญาณอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงจะต้องรู้ครบ ตื่นอยู่หัดไปตั้งแต่หยาบตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกนี่ทำงานสัมผัสรู้เกิดวิญญาณนะก็รู้จากวิญญาณวิจัยวิญญาณวิจัยจิตเจตสิกไปเรื่อยๆวิจัยให้รู้เวทนาสัญญาสังขารแตกเวทนาสัญญาสังขารออกให้ได้จริงๆนี่นี่เป็นต้นคุณก็ต้องเรียนรู้อย่างนั้นจริงๆในขณะที่มันเกิดจริงอยู่จริงมีอาการจริงนะ มีองค์ประกอบเป็นกายมีเวทนามีจิตทรงไว้ซึ่งสภาพที่เต็มๆนี่แหละวิญญาณทิตฐินะเรียกว่าองค์ประชุมของทั้งเวทนาสัญญาสังขารหรือทัานแตกออกไปเป็นว่าเวทนาสัญญาและก็มีเจตนามีพัสสามีมนานสิการก็ตามซึ่งเป็นการเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติแล้วในหลักปฏิสมุบาทคุณต้องมนสิการให้เป็นคุณต้องรู้จักเจตนาของมันซึ่งเจตนานี้แหละมันมีเจตนาที่ มีกิเลสเข้าไปร่วมกับเจตนาที่ดับเหตุแห่งกิเลสแล้วก็ไม่มีพบไม่มีชาติเรียกว่าวิภาวะมีราวะตัณหาเป็นความปรารถนาที่ไม่มีลวตัวเหตุดับเหตุได้แล้วอีกตัวตัวตัวเจตนากูก็ต้องเรียนรู้เจตนานี่ชัดๆเมื่อมีผัสสะชัดเจนเลยกำหนดเลยว่าต้องเรียนเจตนาเมื่อมีผัสสะ แล้วก็จัดการมันมานสิการจัดการมันนี่คือน้ําทั้งสิ้นเลยห้าเนี่ยเวทนาก็คืออารมณ์รว ม, มสมมตสารนาไปที่ประชุมลงแล้วก็จัดการกับไอ้เวทนาทั้งหมดในจี่บันึกแต่เวทนาว่าเป็ น, 108. นปรอน้อยแปดนะเพราะงันถ้าแยกเวทนาในเวทนาร้อยแปนี่ยไมออกแยกเคหัสิตตาไม่ออกแยกเนคขมัสิตตาไม่ออกเจ๊งเลยแยกโลกียกกับโลกุตระไม่ได้ ต้องแยกให้รู้ของจริงเลยว่าเวทนาอาการมันเป็นเวทนาที่เป็นเคหสิตะเป็นชาวโลกเป็นโล ก, กีเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นโล ก, กุตระเป็นอย่างนี้คือถ้ามันแยกออกนี่ครับจิตมันจะมีพลังใช่มันจะรู้สึกว่าโอ้มีความหมายแล้วก็มีเป้าหมายว่าเรานชนะมันรู้ใช่มันเห็นแล้วโอ้โหชัดๆเลยเนี่ยเห็นหน้าผีชัดๆเลยตอนนี้คุณเห็นผีจริงๆแล้วครับถ้ามันแยกไม่ออกปุ๊บเนี่ยมันจะมึนมากเลยครับใช่แล้วคนก็ไม่มีทางแล้ว ไม่รู้ ม, ม, มัวมัวไม่ได้พระเจ้าจต้องชัดเจนแจําแจ้งชัดเจนจึงเรียกว่าสัจกิริยาต้องมีอาการของความชัดเจนจริงๆนะเมื่อสามารถทําในขณะที่มีวิญญาณทิติได้มันก็จะเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ศึกษาเหมือนกันเลยวิญญาณทิติเจก็เหมือนกันสัตวว่าเจ อสัญีากันในวัฏัญญาณัสัญญาออกก็เหมือนกันทุกอย่างอ่าพราะงั้ก็ศึกษาอันนี้แหละแล้วในความเหมือนกันมีอะไรแหละเป็นตัวตั้งที่ใศึกษาก็คือกายกับสัญญาครเหมือนกันข้อหนึ่งสามสี่ห้าเจดหรือว่าเรียงกันมาแลก็เหมือนกันสี่ข้างต้นก็สอ่าไม่ใช่สี่หรอกสามันเหมือนกันแหละเพราะว่าในนั้นมันมีแค่มันมันมีแค่เจดกับเจกับ9มันเหมือนกัน ถ้าไปเป็นวิโมกขแปมันถึงจะเติมออสัญญาเวทีจตนิโรธขึ้นมาแล้วก็สรุปไปรวมไปวิโมก3สามนะี่คืออะไรเพราะฉะนั้นวิโมก3สามนี่แหละเป็นการขยายความให้รู้กายให้รู้องค์ประชุมภายนอกภายในอัจฉิตังอรูปสัญญีเอกโกพระหิทธารูปานิปัสสติเห็นตังงเงาหนอกเห็นตังเางในอยู่แล้วก็กาหนดรู้ว่า สิ่งที่กำหนดรู้คือรูปรูปี ร, ปรูปานิปัสสติต้องมีสิ่งที่ถูกรู้คือรูปรู ป, รปทั้งหลายรูปานิคุณต้องสัมผัสเห็นต้องปัจสติต้องมีผัสสะต้องมีปัสติผัสสะและก็มีพุทธสะมีผัสสะแล้วก็เห็นปัจสติเกิดจากผัสสะจึงจะเกิดจึงจะเห็นด้ดยผัสสะเป็นปัจสติน่ะ เมื่อรู้ของจริงนั่นก็คือในขนาดที่มีวิ ญ, ญญาณเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์จริงจะต้องมีสัมผัสมีพัสสะตาต้องกระทบรูปหูต้องกระทบเสียงจมูกต้องกระทบกลิ่นลิน้นก็ต้องกระทบรสกายต้องมีสัมผัสอยู่แล้ววิญญาณก็เกิดวิญญาณเ็าเกิดก็แยกแยะวิญญาณอ่านเจตสิกแยกเจตสิกวิจัยเจตสิกสานีออกเวทนาในเวทนาและสัญญา การกำหนดมุมนั้นการกำหนดมุมนี้การกำหนดมุมนั้นสัญญาสิบสัญญาหกสัญญาอะไรก็แล้วแต่กำหนดรู้มันแหลกลานเลยทำหน้าที่จัดมากในตัวสัญญาในกำหนดรู้กำหนดหมายรู้แม้กระทั่งทบทวนกำหนดดึงความจำขึ้นมาทะลึกรู้ก็ใช้สัญญาทั้งนั้นรู้ตั้งแต่ว่ามันเกิดปัจจุบันไปของจริงจนกระทั่งมันไม่ได้เกิดปัจจุบันดึงของเก่า บุเพณิวาสานุสติขึ้นมารู้กดดาบทำไปก็ ต, ตรวจสอบวิจัยมันทั้งนั้นเลยวิจัยทั้งที่ไปทำอยู่ในปัจจุบันและกระทบทวนตัวทำไปแล้วมันเมื่อได้ไดทำจริงไม่ทำจริงได้จริงไม่ได้จริงแข็งแรงหรือยังไม่แข็งแรงหรือยังแข็งแรงมากแข็งแรงน้อยคุณตรวจของจริงทั้งนั้นเลยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบจริงเลยต้องทำการทดลองต้องการทดสอบต้องการปฏิบัติจริงจนถึงจุดสูงสุด สมบูรณ์สุดมอนวิญญาณทิฏฐิจะต้องชัดเจนในคําว่ากายหรือจะรู้ว่าสัตว์นี่แหละกายของสัตว์จึงเรียกว่าต้องรู้สัตว์โอปปาติกะต้องรู้ความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณโอปปาติกะสัตว์ทางจิตวิญญาณมันเกิดอยู่เพราะมันเกิดอยู่ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งกายต่างกันสัญญาต่างกันองค์ประชุมของกาย ที่ต่างนี่คืออะไรต่างคือสมาธิทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็อย่างหนึ่งสมาธิทิฏฐิก็อย่างหนึ่งพยานผู้ที่มิจฉาทิฏฐิก็จะเห็นสารพัดกายต่างกันไปเลยเช่นคุณสัตว์นรกคุณเข้าใจแลวคุณก็เห็นสัตว์นรกของคุณเนี่ยคุณก็เห็นของคุณครับไม่เหมือนกันกับของใครหรไอ้ของมันอาจจะบอกบัญญัติเหมือนกันนะบอก สัตว์นรกตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสัตว์เปรตนะมันอยากคุณก็อ่านสภาวะที่มันเกิดอยากขึ้นมาของคุณคุณก็อ่านของคุณเห็นนั่นแหะมันไม่เหมือนคนโู้นคนนี้เขาอยากดีไม่ดีเขาอยากเอออยากจะกินได้อยากจะกินฟักข้าวคนนั้นอยากมากหรือน้อยแรงหรือเบาของเ้าอะ่ะเขาก็มาก มากไม่มากเท่าไหร่น้อยก็การน้อยมากกากันของใครของมันใครจะเอาอะไรไปวัดกันได้ต่างคนต่างกําหนดไปดีไม่ดีไอ้นี่มันอยากอีกคนหนึ่งมันไม่อยากมันสัมผัสอันเดียวกันน่ะมันคนละอยากอีกคนหนึ่งบอกไม่อยากเว้ยก็ต่างกันกองกันข้ามเลยอีงวดนี้ไอ้มากไอ้น้อยก็ต่างกันอยู่แล้วอีงวันี้มันคนละคู่เลยก็ต่างกันแน่นอนกายต่างกันหมดจะเห็นความเป็นสัตว์ในโกจะเห็นสัตว์ เป็นเทวดาจะเห็นเป็นพระพรหมกายต่างกันไปหมดเลยสัญญาก็ต่างกันต่างเข้าใจไม่ค่คยลงตัวกันง่ายๆหรอกบอกว่าดับเนี่ยงั้นอ า, าดันอันหนึ่งเป็นดับมืดเป็นกินนะหะอีกอันนึ่งเป็นดับสว่างทนีนี้อย่างนี้เป็นต้นเห็นหมละ่ะมีชาดิทีถกับสมาธิทิ่มันต่างกันพละพวงเนี่ยคนนี้บอกสุขคนนี้บอกไม่สุข ก็ต่างกันแล้วทั้งตั้งที่มันอันเดียวกันน่ะสัมผัสอันเดียวกันทันทีอยู่เดียวกันเลยอันเนี้ยจะสัมผัสทางรถก็ได้คุณก็แตะแตะคนละครึ่งก็ได้เอ้าคนละข้างก็ได้เอ้าแตะลิ้นคนละข้างก็ได้อดมกลิ่นอีกินเดียวกันเลยตอนนี้กลิ่นมันเนี่ยดมกลิ่นเดียวกันเลยเนี่ยไม่หาไปจากไหนเลยเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ก็ต่างกันนี่แล้วมันก็ต่างกันครับ เพราะฉะนั้นสารพัดจะต่างกันหมดเลยกายต่างกันสัญญาต่างกันนี่แหลกกรานเลยนับไม่ท้วนไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้มุมเห็นไหมเห็นครับเข้าใจครับเออนี่คืออันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรียบเรียงว่าเอออะไรนาะเราเองไปเห็นอย่างงี้ว่าเป็นหลงวมนเป็นอย่างงี้มันมีอย่างงี้ที่จริงมันไม่มีสักอย่างไม่มีสักอย่างโดยเฉพาะสุขมันเป็นสมุนโลกเออ มันจะมีก็เป็นแต่เพียงว่ามันจะมีเหตุปัจจัยตากระทบรูปอันนี้สีชมพูอันนี้สีแดงอันนี้สีเขียวมันก็มีเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าคุณไม่มีตาไปกระทบรูปคุณก็ไม่เห็นนี่เรียกเป็นภาษาไทยเรียกเป็นภาษาจีนก็อย่างหนึ่งเรียกเป็นปภาษาฝรั่งก็อย่างหนึ่งก็อย่างเงี้ยถ้าคุณมีตาประสาทเหมือนกันพิาษายไม่ได้พิการอะไรตรงกันหมดคุณก็ไม่อะไรไม่บอดสีไม่เปลี่ยนแปลงอะไรกระทบรูปรูปอย่างเงี้ยไม่เบี้ยวไม่บิดก็เหมือนกันหมดอะ อันนั้นสิเป็นสัต จ, จักมันเหมือนกันหมดทนะ่านทีกคนมีประสาทไม่พิการกับคนที่ทํางานอยู่กระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายยังไงเหมือนกันหมดแต่อารมณ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนัแยกให้ออกว่าอันนึงที่เป็นธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนี้เหมือนกันคุณจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ไดม้มันเหมือนกันนะแต่อสิ่งที่ ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงก็คืออารมณ์แปรปรวนคนเป็นสมมุติว่ามันสุขมันทุกข์สมมติว่ามันน่ายืดมนนันน้าเป็นหน้ามีจง ก, กระทำมาเป็นของเราไม่เอาเอาความจริงแค่นี้ยแค่มันเป็นความจริงที่มันเป็นแค่นีน้สียอย่างงี้รูปอย่างนี้เสียงอยังนนี้อย่างนี้กลิ่นอย่างนงี้เท่านี้เพราะฉะนั้นจะล้างอาการอารมณ์ที่มันต่างคนต่างยึดของตัวกูของกูปายต่างๆนานาพวกนี้แหละล้างอันนั้น อันนี้เป็นต่อไปรางมันเหมือนกันหมดไข่เหมือนกันหมดคือข้อนี้เนี่ยมันทํำถ้าเราเข้าใจมันทําให้ลดการเพ่งโทษลงไปด้วยใช่เพราะว่าเราจะเพ่งโทษอ่าทําไมไม่เหมือนฉันล่ะทำไมเธอเป็นอย่างเนี้ยอ้าวมันเหมือนได้ไงครับคือคนเรามันก็คิดเอาตัวเองเป็นตีตังค์ใช่ตัวกูของกูทั้งนั้นครับเองต้องเหมือนอย่างนี้ทำไมมองโง่เปเหมือนนี้อ้าวไปใหญ่เลยครับก็เลยถ้าเข้าใจมุมมุมข้อนี้เนี่ยในกายต่างกันสัญญาต่างกันผมเออมันลดการเพ่งโทษลดการ เห็นคนอื่นในทางผิดเราก็ใจคนอื่นได้มากขึ้นออแล้วเราก็ใจตัวเองมากขึ้นออในการรูละกิเลสครับ เ, ออเพราะฉะนั้นความเป็นสัตว์โรคความเป็นเทวดาความเป็นพรมต่างกันไปหมดแม้แต่เข้าใจอย่างเดียวกันแล้วเป็นลัทธิเดียวกันแล้วก็ยังมีภาวะต่างกันพุทธเหมือนกันสมาธิิเหมือนกันแล้วนะก็ยังคองไข่คองมันเทวดาคนละองพีคนละองพีคนละตัว พระรมคนละองของใครของมันต่างคนต่างมีของใครของมันอาจจะเมื่องินกันยิ่งกว่แฝดมหาแฝดอภิมหาแฝดยังไงก็ตามมันก็คนละอันอยู่ดีใช่ไหมไม่ได้บังเบียดเบียดเบียนใครกันเลยของใครของมันเพราะได้ของดีของใครไปก็ได้ไปแม้ที่สุดคุณได้ของไม่ดีเอาไปเลยคุณก็คุณของเราของเรา เราเองเราไม่เอาแล้วในซ้ําคุณยังเอาอยู่ก็เรื่องของคุณโอ้คุณก็ยังเอาอยู่เนาะเราไม่เอาแล้วคุณก็ยังเอาอยู่อก็เรื่งมันชัดๆเลยคืออย่างพวกครูไม่เอากิเลนนีแ่แหละเอากิเลน <c oughs> อันนี้ชัดเจนมันก็เป็นของขายของมัน <c oughs> จริง ๆ, งงงๆเพราะงั้นเราต้องต้องอ่านแยกให้ออกชัดๆเลยว่าอะไรประชุมอยู่อะไรมีอยู่ การกําหนดรู้เมื่อรู้ในทิฏฐิแล้วก็ไปสัญญาการกําหนดยืนยันพิสูจน์จริงๆแล้วก็อ่านมืสัมผัสจริงสัญญากําหนดจริงเมื่อมีสัมผัสจริงเห็นของจริงแล้วก็แยกออกเพราะมาตั้งความสมมุติคิดนึกเอาเองปรุงแต่งขึ้นมาเองโอ้ยมันยิ่งปั่นเองคุณจินตนาการแบบไหนมันก็ได้หมดเลยใช่ไหม อ, นนอันนั้นยิงแล้วใหญ่เลยเออมันก็โมเมป้า ใครก็ไม่รู้กับเราเลยลเราก็ว่าของเราเย่ำจิบหายเลยของเขาเขาเขาเขาย่ำจิบหายเลยอหรือเราหลงตัวเองโอ้ยเราหมดแล้วหมดจริงๆเลยเราหมดคุณก็บอกคุณหมดของคุณนะ่ะแต่หมดจริงนะไม่จริงไม่รู้คนอื่นก็บอกของข้านี่แหละหมดของเองยังไม่หมดของใครของมันแค่ <c ười> เราปรุงรสของเราเองของเราเราก็ว่าเราอร่อยสุดอะไรเงี้ย เราคนอื่นเขาก็บอกอร่อยสุนแต่มันไม่เหมือนกันไี่เหมือนหรอกเพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งกายต่างกันสัญญาต่างกันนี่อย่างเงี้ยมันแหลกลานมันอ้ยคิดถูกทางนากีตาตุกแกทั้งนั้นน่ะครับคือวันนี้พ่อครูที่บายได้ทําให้ผมเข้าใจได้มากขึ้นเอาจิงข้อที่สองยิ่งจะดีครับกายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันโอ้โหยิ่งนีใหญ่เลยสัญญาอย่างเดียวกันคือ ทั้งมิชาทิฏฐิทั้งสมาทิฏฐินี่แหละโดยเฉพาะพุดเหมือนกันนี่จะอธิบายง่ายถ้าต่างาศาสนาแล้วมันจะอธิบายยากขึ้นเพราะยังไงมันก็ต่างกันอยู่แล้วมันสัญญาต่างกันกายต่างกันอยู่แล้วข้างนอกแม้ว่าจะบอกว่าข้อสองนี่มีสัญญาหลักพยัญชนะบอกว่าไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสนะสภาพจิตตอนนี้ไม่มีกิเลสนะ ให้มันว่างจากกิเลสนะตอนนี้ไม่มีนิวรห้าเป็นฌานตั้งแต่ประชมประชานขึ้นไปเลยยังไม่พูดถึงรายละเอียดของมันว่าจะมีเลือวิตกปิจารณ์เลือปิติเลือสุขอะไรไม่ต้องพูดตอนนี้แหละมันไม่มีไม่มีอาการของกามพยาบาททีนมิถะอุทธจักกุกุจะวิจิกิจฉาไม่มีสงสัยเลยเห็นจริงแล้วจิตของเราตอนนี้ว่างจากนิวรห้าสายนั่งหลับตาเข้าไปอยู่ในภพ เขาก็จิตเขาก็ทำให้ว่างจากนิวรณ์ห้าได้ oh. เขาทำได้ผมก็เพเคยทำมานั่งทำเฉพาะในจิตไม่สัมผัสตาหงงจูจมูกลิ้นกายง่ายกว่าสัมผัสตาหงงจูจมูกลิ้นกายข้างนอกเลตายไปง่ายกว่าเลยเพราะว่ามันนั่งเพ่งนั่งหาวิธีต่างๆนานาที่เขาสอนกันมามากมายคุนก็ไม่มีนิวรห้าน่ะ ไม่มีนิวรณห้าสัญญาว่าไม่มีนิวรณ์หเหมือนกันกำหนดหมายว่าไม่มีนิวรณห้าเหมือนกันแต่คนที่นั่งหลับตาได้คุณก็ได้แค่แต่ในผวังในพบนั่งหลับตาองค์ประชุมของจิตของคุณก็ได้อยู่แคบ แ, แค่แค่นั่งหลับตาไม่มีนิวรณแต่ของพระเจ้านั้นโอ้โหองค์ประชุมกว้างเลหมดเลยเห็นโลกทั้งโลกเลยเห็นโล ก, กทั้งหมดเลย แต่จิตของท่านไม่มีนิวรโอ้โหมันยิ่งใหญ่กันมากเลยกายต่างกันองค์ประชุมต่างกันเห็นไองค์ประชุมของความเป็นจริงโอ้โหแต่จิตไม่มีนิวรณจริงๆกระทบสัมผัสอยู่นี่อย่าว่าจะกระทบสัมผัสธรรมดายั่วด้วยกระแทกแรงด้วยโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนดาขนาดนี้เราเองเอ้ยเซ็ <c oughs> แต่คราวนี้เราก็ไม่มีนิวรณ์ไม่มีพยาบาทไม่มีโกรธไม่มีพยาปาทะโกธทะอุปนาหะอะไรไม่มีเลยใช่ไหมนิ่งดีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการได้กายที่เป็นองค์ประชุมเนี่ยมันจึงต่างกันเลยแต่ ท, ท, ทั้งที่บอกว่าคุณก็หมดนิวรณ์เราก็หมดนิวรณ์เหมือนกันครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าหลับตามันก็แค่อยู่ในความมืดจุดจย่างเนี้ <c oughs> อยู่ในพบอยู่ในผวังโลแคบมากเลยเพราะลืมตา ม, มาคนจะมีประสิทธิภาพคนจะมีความสามารถที่จะทนได้มากครับอันนั้นลําบากแน่นอนเห็นไหมแต่ผู้ที่ฝึกอย่างนี้แล้วนี่ข้างนอกแล้วนี่นะแล้วเป็นนั่งเข้ า, างี้นะ ง, ง่ายกล้วยมากเราไม่พูดหมูเพราะเราไม่กินเนื้อสัตว์กล้วยมากเลย ง่ายกว่าเยอะเลยแสดงว่าคนที่ปฏิบัติธรรมโล ก, กุตตระได้จะไปนั่งหลับตาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหา<ส>ง่ายกว่ากันคนที่นั่งหลับตาเนี้แล้วมาลืมตาเนี่ย <c oughs> ยากเพราะว่าลืมตาไปก็เจอกิเลสแต่ก็ <c oughs> พอได้นะพอช่วยได้บ้างแต่ว่ามันไม่ง่ายหรอกยัง ไ, <c oughs> ไม่เรียนมันจะมีความชํานาญไงมันจะรู้เหลีย่ยมรู้มุมอะไรได้ไงมันไม่ได้ฝึกนี่ผมว่าผมสังเกตดูนะตัวผมเองก็ด้วยเวลาเราทําสมถะได้เนี่ยเราจะไปได้ระดับหนึ่ง <c oughs> เดี่ยวมันก็เกิดแต่ผมเห็นว่ามันจะประมาทใช่เพราะว่าผู้ที่ได้สมถะนี้จะประมาทแล้วก็จะไปทดสอบกิเลสสุดท้ายแพ้ยกิเลสก็ใช่ของอันนี้ไม่ต้องทดสอบเลยมันเป็นอยู่ธรรมชาติครับอันนั้นพวกสายสมถะจะล้มกว่ำเข่าเมาได้ง่ายที่สุดแต่พวกสายวิปัสนาแบบพุทธเนี่ยมันไม่ประมาทเพราะมันเห็นอยู่ต้องๆว่ามันจะเป็นอย่างนี้สายสมถะในภายในภวังหนึ่งมันอยากทดสอบมันหมดหรือเปล่าครับสองมันไม่อยากทดสอบลม ทนไม่ได้ถูกกระแทกเกินขีดความอดความทนของคนมีขนาดพอเกินความทนทนไม่ได้พังทำนบพังเลยครับอ่าเพราะงั้นนี่กายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันข้อที่สองก็ความเป็นสัตว์ที่มันยังไม่หมดกิเลสถ้าคุณทำให้กิเลสหมดได้ในขณะที่คุณทำในภวังคุณก็ได้ช่วยขณะนั้นคุณก็ไม่มีสัตว์ตอนนั้น พราะคุณเก็บสัตว์ไว้แต่คุณไม่ได้กําจัดสัตว์แต่ของทางโลกุตระของพุทธเจ้ากําจัดสัตว์เด็ดหัวใจมันขาดตายไปเลยแล้วมันไม่มีดิ้นอีกอันนี้กดข่มไม่นี่ก็อยูแค่แค่นั้นนะเพราะงั้นออกมาจากชานคุณก็มาเป็นอย่างเก่ามากน้อยก็แล้วแต่ถ้ามีแรงกดไว้ได้มากน้อยก็อาจจะเออพอได้ถ้ามีมีแรงกดไว้ดีไม่ดีมันจะระเบิดมันก็ระเบิดอย่างที่ว่าไปแล้วนะเพราะงั้น อันที่สองกายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันก็คือมิจฉาทิฏฐิกับสมาธินี่แหละแม้จะพุทธด้วยกันก็ตามจะได้กายต่างกันจะได้แม้สัญญาว่าไม่มีนิวรณ์เหมือนกันทีนี้ข้อสามกายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันกายอย่างเดียวกันก็คือคุณจะได้ความว่างความใส ความโปร่งความไม่ติดขัดโลงโปร่งใสสว่างว่างอภัสราเช่นเทวดาพภัสร า, น, านี่อย่างเดียวกันเหมือนกันากายอย่างเดียวกันกายว่างๆอย่างนี้อย่างเดียวกั น, นแต่การกำหนดหมายต่างกันคุณกำหนดว่าว่างเนี่ยมันเป็น จิตของคุณกาหนดโลว่างคุณได้เท่านี้คุณโว่างคุณได้และคุณก็ได้เท่านี้ของใครก็ของมันว่างของคุณเช่นเขาสอนกันบางสํานักบอกว่านี่นะใสสะอาดใสเท่านี้นะไม่โสดาใสาเท่านี้สกีทาใสาเท่านี้อนาคาใสาเท่านี้อรหันต์ว่างใสวบบนั้นเถอะ คุณกำหนดเป็นพบเป็นชาติเองทั้งนั้นเลยแล้วใครจะไปตัดสินนะครับ ว, ว่าไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นจึงต่างกันไปหมดเพราะไม่มีใครตัดสินได้ของใครของมันอะ่ะครับแล้วจะเอาอะไรมาเทียบว่ามันใช่ก็นั่นเลยครับก็นั่นมันจะดูไงไใสขนาดนี้ไปไม่มีทางใสขนาดนี้อนาคตเออใสขนาดนี้อรหรันต์เออและใสยิ่งกว่าใสามันจะเป็นนั่นนาที <laughs> อนั่นนาที เพราะนี่จึงสัญญาของใครของมันไงต่างกันครับแต่คุณว่างคุณใสคุณอันเดียวกันนะคุณกายของคุณคุณได้คุณก็ต้องคุณนี่จะใสแล้วใสแล้วเหมือนอย่างอุทกดาบทอาลานดาบทเขาก็ได้ดำได้มืดของเขาอันนี้ไม่ใสนะอันนี้มืดครับเขาก็เขาแน่มืดเนี่ยแต่อุทการบทบกอย่างอย่างยังมืดกันอีกได้อีก ก็เขาผูกมึงเขาได้เขานั้นก็ตรงเท่านในแบบนั้นกับแบบนั้นแค่นั้นก็แค่นั้นทีนี้ถ้าเกิดเรามาลดกิเลสเนี่ยเราก็ว่างเราสัมผัสกิเลสในนี้เราเราไม่มีแล้วก็ว่างกับอาก็เทียบได้ไงใสยอย่างลืมตาสว่างอย่างลืมตาครับกายก็คือองค์ประชุมทั้งนอกเลยไงพระอาทิตย์ตอนนี้คุณอยู่ ด้วยกันตอนนี้เนี่ยแสงสว่างก็เท่าๆกันมันก็ว่างสว่างกันเท่าๆกันแค่นี้มันก็ไม่ต่างกันมันก็ไม่ต่างกันครับกายก็ไม่ไม่ต่างกันกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันเข้อที่ข้อที่างก็นข้อที่สอันสามเนี่ยมันกายอย่างเดียวกันแต่สัญญามันต่างกันเพราะว่ามันกำหนดว่าว่างว่าใส่นี่อย่างเดียวกันนะ ไปขออภัยกำหนดวสัสว่าว่ามันเป็นการกําหนดสัญญาของใครของมันกําหนดได้ของไงของมันวนัสของคุณอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยใสโซดาอย่างนี้นะใสสักกิท า, างี้นี้ใสธนาคารงี้ก็จะให้ใครมาตัดสินแหละของคุณก็ว่าได้ใสโซดาดีไม่ ด, คคดมมีคุณว่าคุณต้อใสอลาหันแล้วอะ่ะครับมันก็ม่วครับอคุณว่าองคุณได้ใสอราหันแล้วอ่ะไอคนนี้ก็บอกเคยของเองใสอลาหันของเองของข้าเนี่ยมันยิ่งกว่าอลาหัน์อีกนะ เออแล้วใครตัดสินวะเห็นไหมสัญญามันก็คงใครคงมันกำหนดตาน่างกันไปหมดเหมือนกับข้อหนึ่งนั่นแหละมั่วไปหมดเลยสีนรกเทวดามารพรมอะไรไปคนละมั่วเลยของ<บ>ใครของมันนี่มันอัตตาแบบแบบสัมมาสัญญาญาณิจารณิสัญญาตัวนี้แหะสัญญาญาณิจานณิก็คนกำหนดเอาเองอะ<น>่ะบางคนอ่ะที่อย่างอย่างนี้ข อ, ของคนอื่นมันก็อย่างนี้ ก็นิจจะของใครของมันค้อนี้แบบสมาธิไม่ควาว่าไงอาสมาธิข้อนี้ครับที่กายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกั น, นครับก็เข้าใจแล้วว่ากายต่างกันสัญญาต่างสัญญาอย่างเดียวกันเพราะว่าคุณไปกาหนดหมายเลยว่าของคุณเนี่ยคุณได้กายอย่างเดียวกันคือว่างใสปโปรงแต่ ไอตัวกํำหนดหมายโปร่งๆเสี้ยสัยะของคุณของใครของมันบอกแล้วว่าใครตัดสินก็ไม่ได้ใครจะเอามาตัดสินได้มันเป็นนามมาทำอย่างไรดีของใครของมันหยิบมาตรงไหนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเอา้าต่างคนก็ต่างสายหรอวะแต่ได้สาจริงๆนะคราวนี้ถ้าของพุทธเนี่ยเราก็สละว่าง<ถ>สายจริงๆดับตาก็ยังสาเลยสว่างนี่ก็สาแต่สว่างนี่เออพอได้ให้พ่อพูดก็รู้เรื่อง แต่ลบตาเนี่ยของใครของมันวะสัญญาต่างกันหมดไม่มีทางที่มาเทียบมาวัดมาเปรียบมาเอาอะไรมายืนยันร่วมกันเลยร่วมกันไม่ได้เลยสัญญาของไอ้ของมันพามันหลับตามันกหนด<า>สัญญามันต่างกันทัหมดของใครของมัน <c oughs> แต่ของพระเจ้าที่สมาธินี่ยังพอมีว่างจากอะไรว่างจากกิเลส ใสจากกิเลสใสยังไงจิตคุณตอนนี้แหละคุณทำใสของคุณน่ะแล้วกิเลสเนี่ยกิเลสขนาดนี้เนี่ยต้องกระทบอันนี้นะคุณกระทบอันนี้แล้วจิตขอณคุณไม่มีแล้วอาการที่มันนอกจากธรรมชาติมันปรุงแต่งมันไม่มีแล้วจิตปรุงแต่งไม่มีคุณก็อ่านจิตปรุงแต่งไม่มีของคุณได้จริงๆน่ะถ้าจะอธิบายมันลึกไปแล้วคุณก็ว่าคุณไม่มีตามที่คุณว่านั่นแหละ แต่ ค, ค, คุณอาจจะเหลือเศษเหลือน้อยครับอาจจะต่างกับของคนบางคนเป็นได้ครับอาจจะต่างกั น, นบ้ากปได้แต่ยังไงก็ตามแต่มันก็ยังสามารถที่จะยืนยันได้ว่าเพราะเหตุปัจจัยเดียวกันครับแล้วอารมณ์นั่นคืออารมณ์คุณอ่านอารมณ์เดียวกันเป็นแต่เพียงว่าคุณกําหนดไม่แม่นมีเสือเหลือเศษน้อยมากมันก็เป็นความบกพร่องของคุณเองคุณหลงว่ามันผิดไม่ใช่คุณลงผิดหลงว่ามันหมด แต่มันยังไม่หมดมันเหมือนอาลันดาบทุออกขะบทแต่อันนั้นเขาเชิงดับใช่ไหมเหมือนอาลันดาบทุออ ก, กทมันต่างกันนิดนแต่ทีง่ไงมันก็ยืนยันอันนี้อันเดียวแล้วอ่านอารมณ์เดียวกันอ่านจากเหตุปัจจัยเดียวกันก็นแสดงให้เห็นว่าถ้าเราอ่านอารมณ์เนี่ยเราจะต้องอันนี้มันมีตัวยืนยันสู้ได้จริงกว่ากันเราจะต้องไม่ตัดสินไปอย่างรวดเร็วอื เาจะต้องพินาให้ชัดก่อนว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงๆนะไม่มีจริงเพราะนั้นในอรูปฌาน4ี่ถึงย้ำมากใช่ตรวจสอบยังอะไรดีในอาชารูปฌานสี่สี่ขั้นตอนนะครับอาการซาวิญญาในจากินจันนี้คือพระเจ้านี่ละเอียดมากคือว่างแล้ว่างจริงยุนญาสะอาดจริงหรือเปล่าสะอาดทุกมุมเลยสะอาดจริงแล้วมีอะไรเหลืออีกไหมโอ้โหผมรู้สึกเอาเอาเรื่องเลยคปิดไม่มีอะไรเลยสูตรนี่เก็บเรียบหมดเลยให้ตรวจสอบได้ครบเลย แล้วพอบอกไม่หมดจริงหมดแล้วเนี่ยแน่ใจไหม<อ>ทุกสัญญาทุกเวทนาหร <นะ S 1> ือเปล่าถ้าคุณแน่ใจแล้วคุณก็สุขครับคุณแน่ใจคุณก็สุขคุณก็วางคุณได้แต่เหตุปัจจัยจริงมันจะมีเหลือไม่เหลือก็ใครตัวใครตัวมันแต่ถ้าคุณไม่ประมาทคุณทําไปอีกไปอีไปอีมันก็มีวันที่จะหมดแต่ถ้าคุณประมาทซะก็มีวันจะเจ๊งครับก็เลยลว <นะ S 1> ่าเพราะฉั้นที่ไม่มีประมาทอะไรเลยครับ ในรูปประชาสีเนี่ยผมรู้สึกว่า เ, า เ, าเข้าใจมากขึ้นว่าโอทําให้เราไม่ประมาท เ, เพราะว่าเราบงังคือเราจะเผิเนเอ้ยสว่างแล้วตัดรอบเลยไม่ได้คือมันไม่ได้อ่านแล้วไปตรวจส อ, อจบไหาามว่าแล้วจริงๆริงวิญญาณศาสตร์่าแล้วจริงๆแล้วมันมันหมดโอ้โหแล้วจริงๆริงไอ้ทุกเวทนาทุกสัมผัสอะไรเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกพระเจ้านี่ยมาถึงจะใช้เวทนาร้อยแปดครับ สังสมเป็นเธอส่วนที่เป็นอดีตส่วนที่เป็นอดีตส่วนที่เป็นอดีตกับปัจจุบันเป็นสมัยอดีตจนถ้าเป็นอดีตเนี่ยมันไม่ดีดละมันไม่ดิ้นละมันไม่ดิ่งมันไม่ดิ้นละมันไม่ดีดมันไม่ดิ่งมันไม่ดิ้นมันดับใช่มมันไม่ดีดนะมันไม่ดิ้นมันไม่ดิ่งไอ้ดิ้นนี่มันยังแรงนะไอ้ดิ่งนิดหนึ่งแมันดับอ่ามันไม่ดีดมันไม่ดิ่งมนไม่ดินมันดับ มันไม่ดีดมันไม่ดิ้นมันไม่ดิ่งมันดับมันไม่ดีดมันไม่ดิ่งมันไม่ดิ้นมันดับมันไม่ดีดมันไม่ดิ่งมันดับมันไม่ดีดมันไม่ดิ่งมันไม่ดมันดับมันไม่ดีดมันไม่ดิ่งมันดับเออครับเอาแค่สี่ขั้นี้ก็พออ่าภาษาไทยครับน้าน้าก็ดูให้มันดับอย่างนั้นจริงๆ เมื่อคุณสามารถอ่านของคุณได้มันก็เป็นของคุณดับก็ดับเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณดับคุณสบายไหมล่ะโอ้สบายสิครับ่ก็นั้นแหละก็ลืมตาดับไม่ฉล็บตาดับลืมตาดับเห็นเห็นมีจักขุมียานมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างนี่คืออันที่สามมีอภิษฎาจักรสุ มีปัญญามญาณมีวิชา ม, มีวิชาหรือแสงสว่างญาณกับปัญญาต้องถามตรงนี้นิดเดีครับอะแสงสว่างตัวนี้ท่านใช้สับยัญชนะญาณกับปัญญามันต่างกันตรงไหนครับญาณปัญญาก็ต่างกันญาณกันดีปัญญาญาณวิชาวิชาหมายถึงความรู้ของพรุทธเจ้าทั้งหมดญาณหมายความว่าเริ่มได้รับความรู้อย่างของพรุทธเจ้าไปตามลําดับ ปัญญาคือความรู้รวมไปหมดทั้งโลกเลยเข้ามาใช้กันหรือจะเรียกว่าถ้าปัญญาเป็นตัววิชาเริ่มต้นก็คือเป็นปัญญาตัวต้นสูงกับปัญญาก็มาเป็นญาณแล้วก็มาครบเป็นวิช า, าญาณคือตัวได้ความรู้จากพระเจ้าปัญญาคือถ้าผมว่าใจคือการลดละกิเลสของเราใช่ ปัญญาเริ่มต้นรู้รักกิเลสเป็นปัญญาพอไปเป็นปัญญิีสีก็เริ่มเสริมญาณขึ้นมาปัญญิีสีปัญญิีสีปัญญิีสีปัญญาจนถึงปัญญาภะละก็ครบเลยทั้งมิปัจนาญาณมีมโนมยิทธิญาณอิทธิวิทยานสโสตอิทธิโสตญาณเจตโตปรยายาิยญาณบุพนิวาสนานุสติญาณจตูป ป, ปาตาญาณอาสวัคคยาญาณ <c oughs> ครบเลยเรื่องวิชาแป ความต่างอันนี้มันมีรายละเอียดครับเพราะงั้นในเรื่องขององค์อันที่สามวิญญาณทิติ 4, อันที่สามหรือสตตวาที่สามนี่จึงในมุมของสว่างกําหนดความสว่างอยู่ในพบ อ, อย่างพวกอพสราในพบ ก, ก็นั่งสว่างปอยไซไซไซอันนี้ไซโสดาไซแคนนีนะสกิตาไซก็มีอับปเถอเองก็ไปแนะสัญญาอันนี้ของคนนะ่ะสัญญา ของตัวเองต่างกันไปใครก็ใสของใครของมันเอามาเทียบกันก็ไม่ได้ไม่มีใครหยิบใสของใครมาใสใสของใครได้หรอกก็ว่ากันไปคุณก็ได้องค์ประชุมของความใสของคุณนั่นแหละใสไปคุณก็ปั้นไปเป็นพบเป็นชาติไปมันเป็นมโนมายาอัตตามันเป็นอัตตาที่สําเร็จด้วยจิตจิตกําหนดปั้นและก็สําเร็จด้วยตัวเองเป็นของเกิดอะไรก็ได้กําหนดอะไรก็ได้เป็นสมมุติในใจของคุณเองเลย แล้วคุณก็ยึดติดว่ามันเป็นจริงคือนะแค่ปั้นอารมณ์จากวัตถุธรรมชาตินี่เราก็แย่อยู่แล้วครับอ่าแล้วยังไปปั้นอยู่ในภพในชาติดีอีกโอเวนจริงๆ <c oughs> แล้วเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาไปสร้างภพสร้างชาติตรงนี้อีกตะพื้นไปข้างในไปเลยเนี่ยสร้างภพเท่านั่งหลับตาเข้าไปส่วนลืมตานั้นไม่ได้ไปตั้งภพก็มีสติเหมือนกันคนอื่นยืนยันกันอยู่มันไม่ได้ไปนั่งอยู่ในคนเดียวที่จะหลงง ม, มงายมันมีเพื่อนฝูงมันมีทุกอย่างใช่ไหม มันมีสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นเลยวันนี้เวลาเขาปั้นพบเนี่ยครับผมก็ถกทำไมคนนั้นก็ปั้นไม่เหมือนกันทําไมเขาถึงเชื่อว่ามันจะเป็นงั้นเป็นจริงมากมายครับคือเขาเข้าใจอย่างนั้นเขากล่าว่าได้อย่างนั้นมันก็ตรงกะที่เขาเข้าใจก็บําบลทิฐิเขาตอนนั้นความเห็นความเข้าใจของเขา ว่าอย่างของศาสนาพุทธที่พวะครูอธิบายมันเป็นความจริงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็อันนี้มันไม่เป็นจริงไงมันเปตั้งของไขของมันเองก็น่าเสียดแต่ว่าคนกลับไปลหลงไหลมากมายมหาศาลงงอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาก็ดีแล้วตัวเองไม่ไปก็ดีแล้ว <c oughs> ตัวเองไม่ไปหลงกับเขาก็ดีแล้วน <c oughs> ะทีนี้อันที่สีอันที่สีเนี่ยกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกัน โอ้โหตัวนี้เนี่ยอธิบายยากยากกับตัวเมื่อกี้อภัสรานะกายอย่างเดียวกันนี่ก็หมายความว่านิโรธคาว่ากายนิโรธนะความเป็นองค์ประชุมของนิโรธคือดับดับอะไรดับอะดับวิญญาณหรือดับความรับรู้หรือดับอไอสิ่งที่มันเป็นตัวจิตจิตนะทีนี้คําว่าดับ จิตเนี่ยทางด้านสายนั่งหลับตาสมาธิเนี่ยก็ดับเข้าไปในจิตแล้วก็ดับจริงๆเลยดับจิตไม่จิตทำงานอะไรไม่รับรู้อะไรเลยดับจริงจิตแต่ดับจิตนั่นก็คือจิตไม่ทำงานจิตหยุดจิตหยุดเลยหยุดบทบาทหยุดกิริยาเลยหยุดไม่มีกิริยาไม่มีบทบาทเกิดเลยในขณะที่เขาดับ ก็เรียกว่านิโรธเรีนิโรธเหมือนกันอเขาเรียกว่านิโรธนะอย่างเดียวกันครก็เรียกนิโรธเรียกภาษาวัาดับดับอะไรดับจิตไม่ให้ทําหน้าที่ไม่ห้บวบบวบาทมันก็เป็นมัาก็ก็เป็นแต่การไม่มีหน้าที่ไม่มีบทบาทของจิตขนาดนั้นก็มันยืนนิ่งดํามืดไม่สว่างเลยอันนี้มันต่างกับสว่างเมื่อกี้แล้ว อันนี้ดำมดปเลยดับดำปีเ้เลยว่ากินนะฮเขาทำได้เขาก็โอ้โหเป็นที่หน้าพึงใจเป็นที่น่าพอใจเป็นที่หน้าได้นามีหน้าเป็นเรียกว่าสุภาษิเป็นสิ่งที่น่าพึงใจเป็นสิ่งที่น่าได้เป็นโชคของเราโอ้โหงามเลอเกินไอ้ดับนี่ละงามไอด้ดำดำนี่ลงาม <laughs> พวกนี้สงสัยพวกอยู่ทางแ <laughs> อฟริกาดำดำนี่ละงาม ดับเนี่ยงามดำมันกินอหารนงา ม, ม, างามเขาก็ได้ของเขาดับนะดับใช้ภาษาเรียกว่าดับมันดับจิตมันอยู่นิ่งมันไม่คิดอะไรไม่มีอะไรไม่ทํางานเลยไม่ทําหน้าที่เลยเรียกว่าดับทีนี้มาภาค ข, ของมิอันนี้มิจฉาิฏิอีกพวกหนึงทําอย่างไรผวังคองพระเจ้าเปิดเผยทํานอกผวัง ก็อันเดียวกันดับเหมือนกันน่ะนิโรดนี่ดับเหมือนกันดับไม่มีจิตทำงานแต่ไม่ใช่ดับไปทั้งจิตทั้งยวงดับเฉพาะอกุศลลจิตตัวนี้กำหนดตัวนี้อกุศลจิตไดต้ขั้นอบายในเรื่องของไอ้ ม, ม, มออ่มันชอบอะไรนักหนากับฟักขาวนี่วะมาชอบอะไรนักหนากับไอ้สมโอนี่วะชอบอะไรนักหนากับไอ้เพชรอันนี้นะวะ ชอบประดนักหนาก็ไอ้แค่ลิปสติกอันนี้วะอะไรเงี้ยก็อันนั้นแหละอกุศลจิตนี่นมันเป็นหลงชอบหลงมีจริงเป็นจริงอะไรอยู่นะคุณดับมันจริงๆเลยแล้วไม่ได้ดับชั่วคราวอย่างแจ้งแจ้งอย่างมีจักสุอย่างมีผัสสะอย่างมีการเห็นของจริงเกิดตาหูจมูกนิ้กายยังครบคันใจก็เกิดมีอาการเกิด แล้วก็ทําให้การเกิดนั้นมันอกุศิจิตตัวนี้กิเลสตัวนี้มันดับแล้วขณะนี้มันนิโรธแล้วนิโรธเหมือนกันนิโรธนิโรธแต่นิโรธสว่างครับอย่างที่พระครูที่บ้านนี่นิโรธดำดำปี้เลยพระครูที่บายเมื่อวันศุกร์บอกว่าการฤาษีขบอกรู้จักจิตเกิดดับมันไม่จริงอแต่ว่าพุทธเนี่ยรู้จักจิตนี่แหละมาเห็นมันดับดูนี่ดับข้อนี้เท่า้ใช่ไหมครับใช่นี่แหละจิตดับ เห็นแล้วกิเลสดับจนทดสอบอาเซวนาภาวนาเพราะดูมันรู้กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งอดีตทังหมมันสปัดอีกทีไรสิได้ทีลยมาทีเพ้อทีไม่เพ้อทีตั้งใจไม่ตั้งใจแรงไม่แรงก็ต่ออะไรอะไรก็ดับตลอดดับตลอดดับมีเหตุมีปัจจัยดับมีจักษุดับมีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างดับมีรูปมีนาม แต่ดับอนั้นนิโรธเหมือนกันสัญญาว่านิโรธเหมือนกันกายดับเหมือนกันคือจิตดับแต่ของพระพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งละเอียดมากเลยว่าไม่ได้ดับทั้งจิตแต่ดับเฉพาะอากุศลแลจิตตัวนั้นทำไปเป็นตัวตัวเลยและคุณก็จะมีปฏิภาณปัญญารู้ตัวอื่น ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆไป พอรู้ตัวนี้แล้วตัวต่อไปมันก็จะเข้าใจกว้างขึ้นมันมีปฏิภาคทวีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงขีดนึงก็รู้ได้อย่างเก่งรู้ได้อย่างมากรู้ได้อย่างคว้างรู้ได้อย่างพิสดารดับได้ทั้งนี้ก็หมดเลยดับอย่างลืมตาดับจริงๆกายที่เป็นนิโรธอย่างเดียวกันสัญญาว่าดับนิโรธอย่างเดียวกันแต่ คุณก็ทิฐิหนึ่งเราก็ทิฐิหนึ่งเท่านั้นเอง <c oughs> จะเอาทิฏฐิไหนล่ะเลือกเอาถ้าจะเอาทิฏฐินู้นก็เชิญในสํานักต่างๆ <c oughs> เขาเขามีสอนกันอยู่เยอะบรรดาคณาจารย์ที่ท่าน ด, าดด่ทาทนแข่งกันดีอยู่ก็มีแบบเดียวกันแต่แข่งกันดีก็มีพอมีวิธีกันคนละอย่างแต่ก็คือไปดับแบบนี้ แต่ลืมตานี่ของพระเจ้าสูตรเดียวกันหมดสูตรโพธิปักเรยทํา37เเหมือนกันหมดถ้าจะเขียนตำราก็ต่อสอดคล้องกับผมของพระเจ้าแต่ถ้าเกิดของสายดับแบบไม่รู้เรื่อง ม, มีหลายอย่างเลยมากมายแต่ ถ, <ừ> ถ้าใครจะเขียนตำราอันนี้ต้องตีตรวจสอบของพระเจ้าถ้าไม่ตรงไปเลยถ้าตรงก็ใช่ คือดับแบบไม่รู้กับดับแบบรู้อนีสุภกิจะฮะเพราะงั้นคำว่าสุภะแปลว่าน่าพึงใจแปลว่าโชคแปลว่างามแปลว่าดีเขาก็โชคของเขาที่เขาได้เขาเขาปราบปลื้มใจนะั่นั่งดับได้อดับได้เจ็ดวันดับได้ยี่สิบหกวันเขาเคยทดสอบกัน ว, วันเจ็ดรยี่บหกวันแต่เขามีนะว่ามากขนาดเขาเคยพูดกันไม่รู้แล้วก็พูดกันมาแล้วก็ฟังไป นะเขาก็ดับแต่มันก็ต้องกลับมาตังวต่ น, นิโรธของเขาต้องเข้าต้องออกดับไม่นเขาต้องเข้าต้องออกเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นท่านธรรมรินนาที่อธิบายให้วิสาขบุบาทศกบอกว่าไอนน้นิโรธของพระพุทธเจ้าสัญญาเวทิเจรินี่เขไม่ได้ตั้งจิตไว้ว่าจะต้องเข้าต้องออกแต่ก็ทําให้มันดับไปตามสภาว่จริงไว้ก็ไม่รู้จะอธิบายภาษาว่าไงเนาะไอ้ที่ตั้งเข้าใจวะต้องเข้าต้องออกนั่นแหะนะ ทุก็ต้องเข้าต้องออกอยู่ตลอดกาลนานแต่ของพระเจ้าเนี่ยจะเข้าไปสู่นิโรธมันก็เข้าไปโดยการทําให้กิเลสเนี่ยบรรลุไปเข้าไปถึงสภาพว่าเทําให้กิเลสมันดับับมันดับหมดแล้วมันก็หมดแล้วจะว่าออกจากนิโรธมันก็ออกแล้วพอจดแล้วเนี่ยหลุดพ้นจากสภาวะที่มันเป็นมันมีแล้วก็พ้นไปแล้วหมดไปแล้วหลุดพ้นไปแล้วไอ้เก่านี่ไม่ต้องเวียนอีกแล้วมันก็ไปแล้วจะว่าออกรอเลยนะออกไม่มากับมัเข้าใหม่ พระเจ้าไม่เข้าไม่ออกของพระเจ้าจไม่ได้มีพบมีชา่าอะไรมาเข้ามาออกไม่มีประตูหน้าต่างอะไรมีห้องมีหับอะไรมาเข้ามาออกของธรรมันออกแล้วออกแล้วออกเลยหมดไปแล้วก็หมดแล้วหมดเลยมีที่จบมีจบเลยเสร็จแล้วก็ ไ, ไปแล้วเลยจบไม่มีมาอีกไม่เวียนกลับนิจจังทุวังสัตงสตงังวิปรินามะธรรมังสัง่งใหดังสั่งกุปปังเป็นยางั้นจริงๆ แต่ถ้าแบบหรซีก็ไม่มีที่จบไม่จบเพะต้องเข้าออกเยอะน่ะครับอาจจะทําได้เร็วเท่าได้เก่งทําได้นานอะไรก็แล้วแต่ก็เก่งเยอะแล้วก็เข้าออกอยูะน <you> ัอออ่นแหละมันน่าจะเหนื่อยกันนะเ <formats. S 2> ดี๋ยวก็เข้าเ <c ười> ดี๋ยวก็ออกไม่ว่ากันใครจะเลือกเอาแบบไหนก็เอาใครจะเอาแบบนี้ก็ไปเอาฝึกแบบนี้ได้อย่างงี้ไปฝึกแบนโน้น ก, ก็ได้เงนินใครฝึกสองอย่างก็ได้สองอย่างก็เลยพวก อ, <า>อัตมาไม่มีปัญหาเพราะอัตมาฝึกสองอย่างอัตมาไม่แยง้งเพราะรู้แล้วว่าสองอย่างมันคืออะไรยังไง ก็เลยกระบวนท่าของการปฏิบัติในพวกฤาษีเนี่ยจึงมีกระบวนท่าซ้ําไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้ากระบวนท่าของพุทธของพวกครูที่บ้าเนี่ยกระบวนท่าไม่ซ้ําไมา่มีแต่ไปเรื่อยเลยมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปจกนกระทั่งถึงความเป็นส ม, มาสัมโพธิญาณ น, นั่นแหละสุด ค, ค, คืออยู่กับพรอครูสังเกตว่าเออไปซ้ําแล้วก็มีการพัฒนานไปซึ่งมันจะมันจะต่างกับธรรมะที่เราเคยเห็นในปัจจุบันในอดีตก็แล้วแต่อ ม, มันก็จะซ้ําอยู่กันนะครับวนนี่นะไม่มีใหม่ โอ้จเจ<อ>้าถึงบอกว่าอ น, นิสง์ในการฟังธรรมมันจะมีใหม่โอ้เอ อ, อ น, นี้มีอะไรใหม่ขึ้นอีกใหม่ขึ้นอีกแสดงว่าพุทธนิพัฒนานนไปแล<า>้วจริงเลยครับนี่คือสี่ของกายทิติส่วนอีกสามนั่นะก็ตรวจสอบโดยอากาซาวิญญาณจาอากินจัญญายตนะย่าไปในวาสัญญาแล้วก็ไปจบอยู่อนตรนเข้าใจผิดไวในวาสัญญาแต่ของพุทธนั้นต้องมีสี่ วิโมกซีวิโมกวิโมกซจากอากาศานินจา ย, ยตนะแล้วก็วิญญาณนิจจา ย, ยตนะอกิจญา ย, ต, ยตนะเป็นอว ส, ยานนาสยยยัยญาณสัญาญยตนะจึงจะถึงวิโมกข้อแปดหรือวิโมกข้อที่5ของอรูปที่ไม่จัดเข้าในอรูปไม่จัดเขาา้เขาในรูปหรอกวิโมกนะพอนก็ตรวจสอบนะตรวจสอบวิโมกถ้าเข้าใจวิโมกเป็นภาคที่ ไขให้รู้ว่ามันมีอะไรในรายละเอียดของความเป็นฌานความเป็นอรูปฌานและความเป็นนิโรธพ ร, งงระอ์ปกรบของวิมุกก็คือความเป็นฌานก็คือวิมุกษามข้อแรกอรูปฌานส่วนอรูปฌานอีกสก็วิมคกข้อที่สไปถึงเจพ้นข้อสี่ถึงเจ็ดแล้วพ้นในวัฏ า, า, ญญายานาสัญญาญาตนะสัญญาจึงจะ เป็นสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติจึงจะเกิดนิโรธเพราะสัญญาทำงานเขาเคลียอารมณ์เวทนาร0 8จนกระทั่งสมบูรณ์แบบยังเรียกว่าจบเวทนาจบวิโมก8เป็นสัญญาเวทยิตังนิโรธเพราะฉันถึงบอกว่าถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่เข้าใจคำว่ากาย คำว่ากายเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจดีๆแล้วเราจะเข้าใจว่าท่านจัดแบ่งว่าพวกพุทธในพวกนี้เป็นพวกนิกายไม่ใช่กายของพุทธว่าไปดีนะนิกายไม่ใช่กายของพุทธเพราะองค์ประชุมทั้งรูปและนามองค์ประชุม ภาษาคำสอนองค์ประชุมของสภาวะที่ได้องค์ประชุมของการปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้ามันค น, นอภิษฐรุมคนรรเรื่องกันเลยแม้ที่สุดก็ก็ต่างคนต่างมีกายกันเลวกันเพราะมันไม่เกี่ยวกันสักกายไม่เกี่ยวกันสักสัมพันธ์ไม่เกี่ยวกันสักองค์ประชุมก็ต่างคนต่างประชุมต่างคนต่างแยกเด็ดขาด ต่างกับนานาสังวาตที่มีร่วมกันนี่ส่วนที่ร่วมกันอยู่พุทธเหมือนกันสังวาสเดียวกันรำมัจ้าแต่มันมีแนวคิดต่างกันมีหนึ่งประพฤติต่างกันสองอุเทศต่างกันทีเรียกว่ากรรมต่างกันอุเทศต่างกันศีลไม่เสมอสมานกันนี่หลักของนานาสังวาส เพราะฉะนั้นประพฤติก็คนละอย่างอย่างพวกเราก็ประพฤติอย่างเราเนี่ยประพุทธองค์รวมเลยทั้งในส่วนตัวบุคคลทั้งสังคมเห็นไหมสังคมองค์รวมก็พวกเราก็มีพื้นทภาพมีพื้นที่ภาพต่างกันสังคมอื่นสังคมสงมันกันสังคมศาสนาเหมือนกันสังคมพุทธศาสนาเหมือนกันต่างกันซึ่งเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันเราถือว่าเออนิกานี่ยังพอคบกันได้เช่นว่า ยังร่วมกันในหลักธรรมหลักวินัยยังร่วมกันในความหมายของปราจิกสกีสังคาทิ 73. เจ็ดสิบสามนะยังนิสกิยาปาจิตตีอีกเท่าไหร่สามเท่าไหร่ยังร่วมกันอยู่นะยังร่วมอยู่ในปาติโมกเดียวกันแต่ทีนี้พวกที่บอกว่าไม่เอาแล้วสังคาทิเสรก็ไม่เอา ดีไม่ดีประราชิกก็ไม่เอามีเมีย ม, มีผัวได้ไปเลยเอา้าวมันก็คนละกายแล้ววะ <c oughs> อย่างนี้มันจ ะ, ระนบรรลุร่วมกายกันไม่ไหวแล้ ว, ม, วมันคนเราแควคนเราวินัยเลยหลักเกณฑ์หลักขนาดหลักเกณฑ์ที่แย่ที่สุดแล้วคุณก็ยังบอกคุณได้แต่เราบอกเฮ้ยไม่ได้นะมันคนละอันเลย <c oughs> นี่คือพวกนิกายแน่แน่ ม่ได้<า>ร่วมนในวินยัยใดเดียวกันเลยถ้ายัางร่วมวินัยกันครบโดยเฉพาะในปาติโมกที่ใช่กันอยู่เรามีปาติโมก227เอ อ, อยังใช่ร่วมกันโอเคคืออย่างน้อยมีใคจะเคร่งใคจะไม่เคร่งก็ตามใจอย่างน้อยมีวินัยร่วมกันร่วมกันยังรับยอมรับวินยยัย227นี้ด้วยส่วนเดินต่างกันนี เ, เนรียกว่านานาสังวาบท่านนิกายแล้วไม่ล้วเป็นคนละแควเลย สังขารทีเศสก็ไม่เกี่ยวไม่เหมือนกันอาจจะมากกว่ากันน้อยกว่ากันก็ได้ไปตั้งในต่างหากโดยเฉพาะประราชิกอาจจะต่างกันเพราะงั้นประราชิกของมหายาณ น, นี่มีมากกว่าสีนะแต่บางอันเขาไม่มีบางอันเขามีเพราะงั้นเอาสี่อันสําคัญของเทรวาสเนี่ยถ้าสี่อันนี้ของทางโน้นไม่มี แต่ไปมีอื่นซะอีกเยอะแยะเลยประราชิกอะไรของเขาอีกทั้งรมาลูกอะเ ร, ไ, ร, รไปตั้งเอ้าเร า, ไ ม, เาไม่เอาอันนี้ไปเอาอันี้มันตรงกันก็นแล้วกันเพราะงั้นของเราเนี่ยก็ของเถราวาดกัของมหายานของธรรมยุศึกกับมหานิกายเนี่ยเราเอาเดียวกันครับ <c oughs> ก็เราเป็นมหาเป็นนานาสังวาสกันเท่านั้นไม่ใช่นิกายคือนานาสังวาก็คือมีส่วนประพฤติ เอ่อความพื้นต่างกันอุเทศต่างกันศีลไม่เสมอกันแต่พระวินัยร่วมกันถ้าเกิดดีกายก็คือหมายความว่า ม, มันไม่คนละวินัยเลยมันคนละวินยวันยคนละเรือ่องไปเขามีเมียได้นะอะไรทำอะไรได้เ<ด>ยอะแยะครับโดยเฉพาะเอาหลักเกณฑ์หลักก็คือปราชิกสีและสังขารที่เสกกระรองลงมาครับเนื่องจากข้อย่อยเนี่ยสารพัดยังไงจะซ้ํากันไม่ซ้ํากันก็ไม่ไม่กระไรแต่สองเนี่ย คารุกาบัตเนี่ยเพราะมันจะมีเพศต่างจากคาราวาในปราชิกศีลเพราะถ้าปราชิกศีเนี่ยถ้าไม่เอาสมมันก็เหมือนคาราวาตมันเหมือนเลยครับเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรต่างครับ <laughs> <laughs> อ่า <laughs> เพราะยิ่งเขาเองเขาโอ้โหเขาเป็นเจ้าของธนาคารก็ได้งี้โอ้ <laughs> ไปเลยของเราเ น, นี่ยมาน้ยสะดุดไม่มีทรัพย์สินเงินทอง ก็ขนาดธรรมยุทธกับมหานิกายนี่ยังบอกโอ้ยนี่ยังมีเงินอย่า น, ยนิสสกนักนิสสกียปจิติตเนี่ยยังไม่มีไอ้นี่เขาไม่มีเงินแล้วขนาดนี้ก็ยังมาถกกันไปพอสมควรไอ้นี่บอกว่าโหเข้าเป็นเจ้าของธนาคารได้นะหรือไม่เป็นเจ้าของธนาคารสะสมเงินอยู่ทั่งถ้าเขาถอนเงินออกจากธนาคารนี่ธนาคารลมก็ได้แล้วยังหาดอกเบีย้ยหาปัผลหารายได้อะไรีกเยอะแยะไปได้อะ อ, อย่างนี้ก็คนละเรื่องกันแล้ว มุ่งไปสะสมแบบนี้มุ่งไปรวยแบบนี้คุรทางทั้งนี้หมดมักน้อยสันโดษก็ยังเห็นเพราะขณะนี้ไม่ว่าธรรมยุทธหรือมหานิกายของไทยเนี่ยก็ยังเห็นดีเห็นชอบว่าเออคุณจะไปเอาเธออย่างาพระมาาัธยนพระทุตดองมักน้อยสันโดษก็ยอมรับแต่เรายังทําไม่ได้เทอา น, นั้นเองนะพระของทางด้านธรรมยุทธก็ตามมหานิกายก็ตามท่านก็ยังยอมรับอันนี้ด้วยกันมักน้อย เป็ไปไปนไระกอบว่น้อยอย่างนี้อนุโมทนาทําได้เราทํายังไม่ได้แต่เดียวกันนะ่ยแต่โนนบอกเลยไม่ใช่รวยได้เหมือนกับอย่างที่คนที่อธิบายบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันนี้ที่ก็ขยายความเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงนะรวยได้อย่าโกงเท่านั้นนะอย่าทุจริตเท่านั้นนะรวยได้และในสภาวะที่ไม่ทุจริตของคุณเนี่ยคุณมีเชิงเอาเปรียบคุณใช้เชิงเอาเปรียบของกฎเกณฑ์ของสังคมเท่าไหร่ คุรู้เปล่าเหรออย่งนี้เป็นต้นนะแต่คุณก็ไปเอารวยถ้าคุณกําลัดรวยได้โดยได้คุณก็ใช้กฎเกณฑ์ของโลกคุณก็รวยไปแต่เพื่อที่คุณมีความสามารถแล้วมีทุนรอนมีอะไรแต่อะไรพักพวกมีอะไรกองโขลดได้เปรียบอยู่คุณไม่มีวันลดได้ง่ายๆหรอกคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณลดไปคุณจะสู่ไหวหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็จะไหวไหมล่ะถ้าคนที่บอกว่ามดพิสูจนแล้วหมดเนื้อหมดตัวก็ไหวแล้วไม่ต้องไปมีอีกคุณก็ไม่จำเป็นจะไปมีอีก เรนจะต้องเวียนกลับไม่มีทาไมเพราะาถ้าคนที่มาถลถระกีเลสแล้วเนี่ยไม่มีมันก็สบายอยู่แล้วนะครับอก็เห็นผลด้วย่ามันก็สบายนอกจากสบายแล้วยังอยู่ในแวดวงที่มีมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทุกอย่างแนละมีสาธารณภคีโอ้ยสบมทปต ห, ห จ, จ, จมยคือมันสบายมาก เพราะว่าอยู่ระบบฐานะโปรคีเนี่ยเปนระบบที่ผมว่ามันเป็นขวาสุขมากเลยนะครับเพราะว่ามันแบ่งกันดูแลแล้วก็เป็นสมบัติส่วนกลางแล้วก็ช่วยกันดูแลช่วยกันทําช่วยกันผลิตใช่แล้วก็ช่วยกันไปเสียสละใช่เสร็จแล้วจิตของคนที่ไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยแม้มันจะน้อยก็มันไม่มีตัวเราแล้วมันจะน้อยน้อยกระชางมันว่าอะไรล่ะถ้าสมมุติว่าเราเองเราน้อยขาด ขาดาธาตุอันนี้จะไปซื้อาธาตุอาหารมาให้เขาก็ไม่ให้ล้วก็ไม่ได้าธาตุอาหารหรือก็ไม่ให้เราไปค้นควายหาเองได้ก็อ้าวดีไปค้นควยหาก็ไม่ได้าธาตุอาหารก็ขาดขาดไปขาดมาขาดไปกันมาคุณกต็ตายตายแล้วใครเสียประโยชน์เพราะว่าคนที่ตายคนนี้คนดีนะคนนี้คนดีก็ <c oughs> คนที่อยู่อะครับเสียประโยชน์ก็เ <c oughs> <c oughs> ขาไปรักษาประโยชน์เพาคนดีที่คุณปล่อยเขาตายก็สมน้าหน้าคุณไป คนดีคุณก็ปล่อยเขาตายเพราะคนมีปฏิพาณ์ใครเขาจะไปปล่อยให้คนดีงี่ตายนะและ้วเขาก็ไม่ได้หวงในแหนมันก็มีพอช่วยกันได้เขช่วยกันไปมันเป็นสัจจะที่มันจริงมันแย้งไม่ได้หรอกขนา ด, นาดผมสังเกตดูคือพูดถึงเขานิดหนึ่งคือครูบาอาจารย์ที่เขาไม่เคยถูกอ่ะไม่ถูกอ่ะทําไม่ถูกอ่ะแล้วก็มันก็เห็นชัดเจนในความไม่ถูกในสังคมที่เกิดขึ้น คนที่เขายังดูแลกันเลยครับศรัทธากันดูแลกันเอาใจใส่กันเลยคือผมก็ยังคิดโอ้โหเขาซึ่งเขาเชื่อถึงขนาดนี้อเขายอมทนนถึงขนาดนี้เขาก็เห็นการเจรจาเขายังไม่เชื่อว่ามันจะผิดออย่ากล่าวไบใหญ่ผมว่ามาลดละกิเลสแบบโรกุตะระแบบพระครูพาธรรมเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมันคือเทียบกันไม่ได้เลยมันมันคนละเรื่องกันเลยอเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีคนดูแลผมเชื่อมั่นอย่างนั้นใช่เพราะว่ามันเป็นสาระที่นอกจากนี่นะว่า ไม่แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีใครดูแลแล้วเนี่ยตัวผู้ที่ไม่ได้กลัวเลยว่าก็จะไม่มีใครดูแลนึงก็ไม่กลัวจริงๆด้วยเพราะมั่นใจในความเป็นตัวเองว่าเราหนึ่งเรามากน้อยสองเราไม่ได้ขี้เกียจสามเราก็พอมีสมรรถภาพสมรรถนะพอจะทํากินทําใช้ให้ตัวเองได้น่ะว่าท้เอ้ยมดมันยังไม่ตายเลย ปวกมันยังไม่ตายเลยหมูหมากาไก่มันยังไม่ตายเลยมันเลี้ยงตัวมันเองได้ทุกตัวก็เราเป็นคนเลี้ยงไม่ได้ตายก่อนหมาไป <c oughs> เราจะเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าเราสามารถที่จะยังชีพตัวเองอยู่รอดเลี้ยงตัวเองได้เพราะฉะนั้นแม้ใครไม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไรที่สุดสมมุติว่าเราปเป็นอาัมาพาตแล้วเราทาเลี้ยงตัวเองไม่ได้จริงๆนะก็ไม่เป็นไร ก็ตายไปเลยก็มันก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้แล้วจะทำไงตายก็ตายและยานปัญญาที่คนเข้าใจว่าถ้าคุณจะตายถ้าคุณมีจิตไม่ตอพบคุณก็ตายไปเลยไม่ต้องตอพบถ้าจิตว่าคุณยังไม่ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นอรหันคุณก็ต้องเวียนมาเกิดคุณก็จะมีปัญญาเข้าใจว่าเเกิดก็เกิดสิแล้วก็ไม่ได้เกิดด้วยจิตที่เราไปทำอกุศลอะไร เ ต, ตายได้จิต ก, กุศลเรจะไปมีปัญหาอะไรตายมาเกิดมาอีกเดียวกัเก่ามันมีเหตุปัจจัยที่ยืนยันรับรองเราอยู่แล้วชัดเจนครับเพราะอยังอย่างผู้ที่ลดละกิเลสแล้วจะกล่าวไปผู้หมดกิเลสแล้วเนี่ยผมว่าตายไปแล้วท่านเป็นโพธิสัตว์ผมว่าท่านจะไปกลัวอะไรเพราะว่าอย่างน้อยท่านก็พึ่งพาตัวเองได้อยู่แล้วใช่คือ ท่านเป็นที่พึ่งกับคนอื่นนะมันไม่ใช่ว่าท่านไปพึ่งคนอื่นบางคนละเรื่องกันนะครับใช่ใช่มันมันเพราะนั้นท่านเกิดมาท่านก็อิสระพึ่งตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วท่านจะเรียกร้องคนอื่นมาช่วยท่านมันเป็นไปได้ยากแทบไม่ทําก็ขณะแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นหนุ่มผมยังเลี้ยงน้องเลี้ยงครอบครัวได้ตั้งเยอะตั้งแยะครับก็เป็นวัยวัยนี้ก็ยิ่งชํานาญยิ่งไม่ได้หยุดย่อนก็ขยันมันเพียนก็สร้างซันอยู่ผมก็ เลี้ยงใครๆได้อีกอยู่ถึงไม่ให้เลี้ยงก็ได้ไม่ให้เลี้ยงเราก็เลี้ยงตัวเองได้แ น, น่นอนอยู่แล้วก็เลี้ยงใครแต่ใครมา ก, ามาก่อนก็ได้อยู่แล้วนี่ความสามารถระดับอะไรอะไรโพิสัตว์เนี่ความสามารถขนาดจัเลี้ยงคนได้มากมายมหาศาลตัวเองมันจะโอ้ยนิดเดียวเท่านั้นเองครับแล้วตัวเองก็เป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนที่ไม่เฟอ้อไม่ฟุง้งไม่อะไรไม่ไม่ได้เปลืองไม่ได้พรานนั่นอีกด้ว ย, ยมันมันเหตุปัจจัยมันเสริมหนุนด้านที่มัน เป็นไปได้ด้านที่มันสําเร็จประโยชน์มันเหตุปจัจจัมันเสริมหนุนไปหมดทางนั้นเลยคือความขยันท่านก็มีอยู่แล้วอความสามารถก็ยิ่งมีมากอยู่แล้วมผมคิดไม่ออกเลยควา ม, มรู้ก็ดูดีอยู่เดีวจะรู้อะไรก็รู้ได้เร็วรูได้ เ, เปิดจิตจะไปรู้อะไรก็ไปเห็นจะนะคือผมจริงๆรเนี่ยนะชาตินี้บอกว่าผมไม่ไม่ถนัดในเรื่องของช่างช่างกลช่งางทา ง, า ท, างทางวิศวะเนี่ยไม่ไม่ถนัด ผมก็ยังไม่กลัวหรอกนะที่จริงเนี่ยถ้าจะให้ผมบอกว่าไปตั้งใจศึกษาผมก็บอกได้ผมทําได้ไม่มีปัญหาหรอกศึกษาได้ถึงแม้จะไม่มีฝีมือเชี่ยวชาญอะไรขนาดไหนก็ทําได้พอทำมาหากินรอดพอรับจ้างซ่อมได้ค่าข้าวค่าน้ําแน่นอนเพราะว่าอย่างแน่ใจเลยแม้ไม่ชอบชาตินี้ไม่เอาไม่ชอบว่าไม่อยากทําแต่ถ้าให้ทํา ก็ไม <S preach miracle> <Không> ่ได <proport> ้คิดว่ามันจะไม่ได้ได้เชื่อมั่นเลยว่ายังไงก็ทำรอดสอมรับจ้างพอได้กับข้าดกับข้าวแน่เอาเอาเอาทนไม่ได้ต้องถามเนะเอาไมโครโฟนให้หน่อย ใครใจดีหาไมโครโฟนให้หน่อย <g rab> อเสียงเขาก็ไม่เคยดังเท่าไร <g rab> ไม่เหมือนบางคนโทนเสียงดังไม่ต้องใช้ไม่ได้ยินหมดเลย อ, อย่างเสียงสิกรมาสกล้าขวามฝันเงี้ยโอ้เสียงคุณจำลองเงี้ยโอ้โหไม่ <g rab> ต้องใช้ไม่เลย <g rab> <g rab> น้ำมันสการพ่อครูสมณะ เอาไม่ตรงไครูแล้วเวลาน้อยเอาเลยทํามธรนักรบธรรมครับเออเอาปกติก็เสียงดังไม่ได้อายใครแล้วครับทาทาอะไรนะธรรมธรรมธรรมธรรมครับธรรมะแล้วก็มีทอรทอทหารสละอัมครับผมอ่าธรรมธรรมครับอ่านักรบธรรมครับอ้าวนักรบธรรมเอาครับปกติก็เสียงดังอยู่ครับอธิบายไปเลย ครับคือที่พ่อครูบอกว่าดับดับดับไปถึงขั้นอะไรอจินยาจตนะอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าสว่างอะไรมันเป็นถึงขั้นอะไรพวกนั้นนะครับผมไม่จำครับผมว่างั้นเพราะมันจํายากผมมันความจํานี่คิดว่าสู้เขาไม่ได้แล้วครับเขาว่าเขาสายปัญญาเขาจำจำเนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนเป็นว่าคําว่าดับหรือว่าสว่างเนี่ยให้เป็นสงบเนี่ยครับเพราะว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานดังประมังสุขขังเนี่ย ผมว่าผมคิดว่าผมผมพบกับความสงบะครับและความสงบนั้นเป็นความสุขอันสุดยอดของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลยนะครับและผมคิดว่ า, าปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยใครจะจําอะไรนะคิดว่าเป็นปัญญานี่นะครับผมว่าปัญญาลักษณะ น, นั้นมันจะต้องคู่กับเจโตเป็นคู่ขนานกันไปเลยนะครับมันจะต้องไปด้วยกันอย่างที่ว่าแบบแบบที่ว่าเนี่ยบแบบคู่ขนานแบบไปกันแบบที่ว่า อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหล<น>ะที่<ข>จะไปรอดด้วยเอ า, าแต่อย่าง <ผม S 2> ที่คุณนี่มันไม่ค่อยรอดหรอกครับผม <า S 2> เพราะสงบนี่อาตมาขออธิบายทันทีตอนนี้เลยสงบของคุณในคุณไม่รู้ว่าสงบอะไรสงบคือหยุดคือพักแล้วคุณรู้ไหมว่ามันพักชั่วคราวมันพักเพราะ ก, กิเลสดันดับสนิทไม่เกิดอีกเลยคุณรู้จักตัวกิเลวันั้นหน้าอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดคุณรู้มันไหมล่ะคุณบอกจะไม่เอารายละเอียดพวกนี้แล้วคุณก็จะไม่ไปไปศึกษา แล้วคุณก็ได้จะสงบสงบคุณรู้ไหมเราเข้าศึกษาอย่างนั้นนะ่ะเขาไล่เรียงวิธีการละละเอียดละเลียนไปจนกระทั่งว่าโอ้โหอากาศซ้ายตรงนีนะ้วิญญาณนันจาตรงนี้ว่างตรงนีนะ้จิตที่มันสะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันว่างกับอาการของว่างของสภาพรูปบิญยาณคือธาตุรู้ธาตุรู้มันสะอาดสะอาดยังไงและเศษส่วนของตุวดีที่จะบอกว่าจะทั้งสองอย่างนี่แหละไม่มีไม่มีความบอกพร่องอะไรเลยมันคือไม่มีอจจิจันยังไง คุณกำหนดได้ไม่ล่ะคุณไม่สามารถมีสัญญากำหนดดูรายละเอียดพวกนี้ได้เลยคุณได้จะสงบสงบอย่างเดียวตืๆๆๆๆ่อตื่อๆอคุณก็ได้อันใดอันหนึ่งอยู่แค่ขั้นใดขั้นหนึ่งเท่านั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าไม่เรียนรู้สัมผัสวิโมก8แดด้วยกายที่จะต้องมารู้ทั้งนอกและในตั้งแต่รูปถึงอรูป รูปไปทั้งหมดจริงๆขอบพระคุณครับแต่ทงางองค์ประชุมเนี่ยถ้าคุณไม่ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าก็าขอบคุณนั่นแหละก็ได้แค่นั้นนะครับขอบพระคุณครับ <c oughs> แต่ผมก็ถือว่าในเมื่อเราไม่ได้ตรงนั้นนะครับแต่วิกฤตต้องเป็นโอกาสนะครับคือผมอคิดว่าการที่เราไปสงบแล้วเราพบความสุขอันแท้จริงของชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับที่ได้สัมผัสมานะครับแล้วคิดว่าตัวนี้เราก็สามารถที่จะ พลิกผันขึ้นมาให้มันแบบที่ว่าเราสงบได้เรามีความสุขได้แล้วเราก็ลองหลับตาเนี่ยแล้วเราก็ลองลืมตาสิครับใช่ไหมครับแล้วเอาสภาพตอนนั้นมาใช้ตอนที่ลืมตาแล้วลืมตาแล้วค่อยๆขยับกายสิทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อ ย, นอยจนมันออกไปถึงข้างนอกให้หมดเจอกับทุกอย่างให้มันเป็นลักษณะที่ว่าเราเคยสัมผัสมามันเป็นการอุ ป, ปการะที่ว่าแบบแบบที่ว่าได้ได้ได้กระทืบถืออุปการะ แต่ต้องมาสัมผัสนะอย่างที่คุณพูดเนี่ยจะเป็นเฉยๆครับอาพูอสัมผัสไปเลยครับนั่นแหละถูกแล้วนี่แหละครับเออเเอจอของจริงกันอย่างนี้ผมคิดว่ามันชัดเจนแบบพัดเป็นปัจจัยคุณจะทําสงบในมาก่อนได้อย่างที่พูดเนี่ยคุณก็ต้องมาทํานอกไปครับอ่าแล้วก็คิดว่าที่ว่ารู้รู้เนี่ยครับผมว่าก็ร้อยรู้ก็ไม่สู้รหนึ่งทำอ่าใช่ทําได้ใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำอ้าวเอผมก็คิดว่าครับ ก็พอพอพอสมควรครับครับโอ้โหอ่าดีดีอ่าก็ไม่เป็นไรเอามุ่งไม่กันแล้วกันอ่าอย่าพึ่งทนไม่ได้ต่อการสัมผัสกันแล้วกันแต่ทนไม่ได้ต่อการสัมผัสแล้วคุณก็ลงนี้ไปอยู่ที่ลูงคุณที่คุณได้แหละแต่ถ้าคุณทนได้จกกนกระทั่งสัมผัสเลยยังไงยังไงก็มีนิจจากสัมผัสเลยและคุณก็ว่างสงบได้จริงตกลงก็นี่แหละครับผมนึกมาก พ่อครูลครแล้วครับอ่าแล้วถูกอัตมาพาทำอยู่นี่เนาะใช่ครับแล้วก็ <laughs> ตลงมันเป็นอ จ, จินไตรที่ว่าคุณพ่อของพ่อครูที่ชื่อว่าเฉยเนี่ผมก็ต้องเอาอย่างนั้นแหละครับ <laughs> เอาเลยเอาเลยเอาเลยเ้าเอาเอาให้เฉยให้ได้แล้วก็มาโหมกันอยู่ให้ได้อย่านนี้ <laughs> เอาให้เฉยให้ได้มาโหมกันอยู่ให้ได้อย่านนี้ครับน้ามาอ้าสรุปซะเลยเหลืออีกเวลาจริงๆมันก็นเหลืออีกสองนาที แต่ว่ามันเลยเวลาเราเริ่มต้นเป็นอีก 4, นาทีสองนาทีคุณก็สรุปกันแล้วกันครับวันนี้ก็ถึงถือว่าพอครูอธิบายในสิ่งที่ลึกซึ้งนะตั้งแต่เรื่องบ้านวัดโรงเรียนกับมรงคปดซึ่งแต่มาว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ตอตั้งใจฟังเพราะว่าพอครูถึงพูดถึงสังกปะเจมาเป็นยังไงแล้วก็มาเป็นสมาอาชีวะที่จะไปสู่บ้านสังคมมากยิ่งขึ้น และมีการตึกษาที่เราจะเพิ่มพูนในกา ร, ราลดรักกิเรสเพิ่มไปเรื่อยๆนะและสุดท้ายในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือมันจะต้องมีไปเป็นอะไรอินรียห้าพระห้านะคือประเด็นของสำคัญเลยคือการวิทยาหรือว่าอิธิบาทสีเนี่ยพ่อครูใช้ภาษาว่าโถมโถมใส่ถมเข้าใส่ให้หมดคือใช้ภาษาแบบ <laughs> ทุ่มสุดตัวเอาง่ายๆทุ่มสุดตัวมีแรงเท่าไหร่ก็ กระโดดทุ่มลงไปให้หมดเลยนะเออแตมาว่ามันเห็นภาพพจน์ดีนะคือเวลาเราลดจะลดกิเลสเนี่ยมันไม่ค่อยทุ่มเทอะไรมันก็ไม่เต็มที่แต่ว่าของพ่อครูเอาไปเลยกระโดดเข้าไปเลยเต็มที่นะเอาให้สุดตัวไปเลยเนี่ยแล้วก็เอาเฉพาะเนื้อเนะื้อที่ลดละกิเลสได้แล้วเรื่องวิญญาณที่ติเนี่ยแตมาว่าวันนี้แตมาต้องขอขาบพ่อคุณ ข, อขอ้อกลูอย่างมากเลยทําให้เข้าใจอะไรชัดเจนมากยิ่งกว่าเดิมนะว่าเออไอ้คำว่ากาย ต่างกันสัญญาต่างกันกายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันมันเป็นยังไงเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อภาวะของมิจฉาิฏฐิเป็นยังไงภาวะของสมาธิเป็นอย่างไรเราได้ทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วแล้วก็การดับแบบฤาษีที่มันแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยกับดับแบบพุทธที่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยมันต่างกันยังไงทําให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติทําได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คิดว่า ที่พวกครูพูดมาในวันนี้ก็คือทําให้ตัวธรรมายเองเนี่ยว่าเรามีความหวังว่าเราจะสามารถรดจักอิเด็ดไปได้ได้ได้แบบมีภาคเพียรอย่างต่อเนื่องแน่นอนเพราะแตก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะประมาทในว่าเออได้แล้วมันก็เผยแล้วมันก็ปล่อยตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ย้ํายืนยันไม่อาศัยวนาภาวนาภารีกำลังฟังมากก็หลายทีแต่ว่าเราก็ยังประมาทอยู่ด้วยแหละเพราะว่าเราจิตมันเคยชินเคยชินที่ได้แล้วมันก็เหลิงระเริงแล้วเราก็ไม่ทําย้ํายืนยัน ให้ตัวเองให้เกิดผลเพ่ารีกรรมังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและต่มาว่าการฟังธรรมในวันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะไปทบทวนแล้วก็ไปปฏิบัติและก็ทําให้มากเนี่ยต่อมาว่าพวกเราที่ฟังธรรมวันนี้ก็มีหวังว่าจะได้บรรลุธรรมกันทั่วนาก็ต้องขอกราบขอพระคุณพ่อครูด้วยความเคารพครับและขออนุโมทนาทุกคนอ่ ะ, จะเจริญธรรม เขาเรียกชื่อมันอะไรน่าไอเนี่ย